ต่อจากนี้ไปพ่อท่านสมณะโพธิรักแสดงธรรมวันสำคัญมาคบูชาเรื่องพระโสดาบันในยานเจ็ดเมื่อค่ำวันที่8กุมภาพันธ์2544เนื่องในงานพุทธาพิเศกสุดยอดปฏิหารครั้งที่25ณนะพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติตารฟังได้ณนะบัตร เจริญธรรมทุกคนเพราะวันนี้เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธทุกคนสำหรับผู้ที่ยังใส่ใจ ยังมีศาสนายังมีธรรมะในหัวใจก็จะรู้ว่าเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธวันมาขะบูชาซึ่งเป็นวันที่พระหันเจ้าท่านใดมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดตรงแ น, น เป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นเลยม า, ามารวมกันต้งพันกว่ า, าแล้วก็ได้ฟังเทศโอวาตปาติโมซึ่งโอวาตปาติโมนั้นก็ไม่ใช่อะไรโอวาตปาติโมนั้น ก, ก็คือเป็นการสรุปเป็นการบอกเล่าความจริงของสัจธรรมที่เป็นพุทธให้รู้ว่า ท่านทั้งหลายอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นจงรับทราบทราไว้เถิดว่าเมื่อท่านบรรลุอย่างนี้ท่านจะเป็นคนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นโอวัปาติโมกษ์สามหรือว่าสีหรือว่าหที่มีอยู่ในโอวัปาติโมกษ์ที่สมณะภิกษุทั้งหลายที่ได้ท่องได้สวดกันอยู่นั้นก็ตามซึ่งวันนี้เป็นคำตรัส สอนของพระสมาสัพพุทธเจ้าเช่นโอวาทปาติมโมกสามถึงเป็นที่รู้กันดีคือสัพปาปัสสะกระนังกุศลสู้ประ ส, ะรร ส, สัมปทาสจิตตะปริประโยชน์ปะนังพระราหันทุกองค์หยุดทำบาปหยุดทำบาปทั้งปวง เมื่อผู้ใดถึงขั้นนั้นขีดที่มีภูมิธรรมจิตเป็นจริงเกิดจริงเป็นจริงอย่างแท้จริงผู้นั้นไม่ทําบาปรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักกุศลอกุศลและไม่ทําบาปไม่มีเจตนาจะทําบาปใดๆด้วยสัตว์จริงแต่ทํากุศลพระอาหารหันตุพระองค์ยังไม่รูปนามขันหะยังมีกายมีจิตปัญญาณ จิตปัญญาก็เป็นจิตปิญญาบริสุทธิ์สะจิตตะประโยชน์ะปัังประกอบไปได้จิตวิญญาที่บริสุทธิ์เป็นจิตปิญญาที่จะทำให้บริสุทธิ์แล้วเดียบรอยจึงชื่อว่าอรหันต์คนที่มีจิตบริสุทธิ์นี่แหละเป็นคนทำกุศลอยู่ตลอดเวลา ทำเรื่อยๆทำให้ถึงอยู่เรื่อยๆถึงพร้อมก็หมายความว่าเป็นการเข้าถึงเป็นการเป็นอยู่เป็นการเป็นจริงเป็นตัวอย่างนั้นเป็นตัวกุศลนั่นเองเป็นตัวกุศลปฏิบัติกรรมกริยาอะไรต่างๆอยู่ก็เป็นกรรมกริยาที่เป็นกุศลด้วยใจบริสุทธิ์ใจไม่มีลำเอียงใจไม่มีกิเลสใจไม่มีทุกข์ ใจไม่มีความเดือดร้อนอะไรเป็นความสะอาดบริสุทธิ์สบายส ว, าว่างระ่างโลง่งนะันใจนี้จะเป็นใจที่มีลักษณะทั้งสะอาดสว่างสงบอย่างที่ท่านพุทธทาสว่านะและก็มีทั้งลักษณะของนะ สร้างสรงสรสามาชคีเสียสละอยู่ในนั้นอีกเสร็จแล้วก็มีพฤติกรรมอันนั้นอยู่อย่างครบพรอมพวกเราได้มาเรียนรู้ได้มาปฏิบัติตนไปในทิศทางนี้แต่ละคนแต่ละคนที่มาปฏิบัติมาศึกษาที่อาตมาพาทมกันมาเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วนี่อาตมาเห็นผล เห็นผลว่าพวกเรานี้พิสูจน์ความจริงกันมาบางก็เกือบ30ปีบางก็ย0่บกว่าปีบางก็10กว่าปีแม้บางคนจะไม่ถึง10ปีแต่ก็เพิ่งมีบุญมีบารมีมีบุญสามารถที่จะบรรลุที่เราสามารถที่จะ ประสบผลประสบมรรคผลที่เป็นจริงนั้ น, น, นได้ศาสนาพุทธได้เรือฟันเฟือมา น, นานอําพรางปกปิดซึ่งผู้อําพรางผู้ปกปิดต่างๆเขาได้บาปกันไปแล้วทุกคนจนทำให้ศาสนาเสื่อมศาสนาเพี้ยนความเข้าใจในศาสนาไม่ถูกต้องเพราะ ปกปิดเพราะอธิบายเพียนเช่นว่าศาสนาที่พระพุทธเจ้าพาทำแล้วเมื่อบรรลุทำนั้นแล้วก็ประกาศแก่ผู้อื่นไม่ได้บอกผู้อื่นไม่ได้อย่างงี้เป็นตน้นก็เป็นการพูดผิดเป็นทิฏฐิลามกพรวพุทธเจาสตัดเอาไว้ชัดเจน เพราะงั้นศา ส, สนามาจึงได้เพี้ยนขึ้นมาเพราะว่าไปเข้าใจแต่แค่ประเด็นแค่นี้แหละประเด็นที่ว่าผู้บรรลุทมแล้วย่อมไม่ไม่บอกผู้อื่นหรือไม่ควรบอกผู้อื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเยางนั้น อันนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเมื่อผู้บรรลุใดๆในท่านยิ่งสันเสริมาอ้าวท่านได้บรรลุทำนั้นสมบูรณ์แล้วจงบรรลุเสียหนาดโดยชอบจงไปประกาศให้ดังเหมือนสิงร้องก้องป่านะบรรลุเสียหนาดโดยชอบจงไปประกาศโดยชอบเถิดมีแต่คำตรัสพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นไม่ได้เคยบอกว่าอย่าไปพูดนะได้แล้วอย่าไปบอกใครแม้แต่ปัจจุบัขนขณะ ปัจเจกขณะในปัจเวกขณะที่บอกว่าเตือนภิกษุเอาไว้ว่าอุตริมุตธรรมเธอมีอยู่หรือไม่ที่เพื่อนสัตทมิกถามแล้วเธอจะตอบได้โดยไม่เกอ้อไม่ยากก็บอกเธอขนาดนี้พร้อมจะให้บอกพร้อมให้ประกาศแต่ก็สอนกันมาผิดเพี้ยนนะ เมื่อไปปิดบังเนื้อหาแท้ของจริงของลึกซึ้งคนก็ไม่รู้คณะอัตมาพยายามอธิบายบอกคุณลักษณะต่างๆธรรมโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์บอกคุณลักษณะบอกทางปฏิบัติให้ปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วก็อ่า น, จ, านจิตอ่านใจตนเองอ่านความจริงของตอนเองอธิบายให้ฟังให้พวกเราได้รู้ขนาดนั้นพวกเราก็ยังยาก ตตรวจยากจะอ่านยากยังรู้ชัดเจนอย่างแม่นคมอย่างมั่นใจได้ยากแล้วยังไปอําพรางกันประกาศไม่ได้บอกไม่ได้ใครจะเป็นใครจะมีไม่บอกบอกไม่ได้ทำเงียบมันก็ตายกันพอดีขนาดที่ว่าทั้งรู้ว่าบุคคล น, นี้บรรลุ ผู้บุคคลนี้เป็นโสดาสกิทาน่าะจะเป็นอยู่อย่างไรมีกรรมกริยามีอารมณ์ทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจจะเป็นยังไงถ้าคบคุณกันอยู่ก็จะรู้ว่าอ๋อผูนี้มีกับอกับกริยาอารมณ์เป็นอย่างนี้เองอ๋ออย่างนี้เรอโสดาอย่างนี้สกิทามันก็ยังพอจะประกอบกันให้รู้ว่าเอออย่างงี้ใช่อย่างางี้ไม่ใช่มันก็จะส่งเสริมให้รู้ว่าคนที่ ทฤษฎีหรือปริยัตยิบอกว่าอย่างนี้อ๋อปฏิบัติเป็นอย่างนี้พฤติกรรมเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบไปอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ตรงเพง่งเพ่งเพราะมันมีอิรยิยาบถมีจริตมีทั้งความยึดถือมีทั้งความเป็นวาสนามีทั้งอะไรต่างๆนานาในบุคคลซึ่งไม่ใช่ว่าจะอ่านได้ง่ายๆขนาดเรียนทฤษฎีมาบอกว่าผู้นี้แหละเป็นโซดาผู้นี้เราเป็นสกิทาผู้นี้เราเป็นอะนาคา ผูนี้เราเป็นอรหันต์ขนาดบอกไปอย่างนั้นก็ยังสังเกตกันอ่านกันไม่เหง่ายจะสอดคล้องหรือไม่จะถูกต้องหรือไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ไง่ายๆนี่ยิ่งไปปกปิดกันเลยใครจะเป็นอะไรไม่ไมรู้ทั้งนั้นเลยงมงายกันไปหมดเลยขณะนี้ในาศาสนาพุทธอัตมากล่าวได้เลยว่า เขาจะไม่รู้เราว่าโสดาเป็นยังไงโสดาบัณบุคคลเป็นยังไงสัจธรรมีมบุคคลเป็นยังอนาคามีเป็นยังไงเดาอย่างเดียวว่าคนนี้แหละอรหันต์มีทนธรรมดากับอรหันต์เท่านั้นเขาจะเดากันเท่านั้นมันก็เลยไปกันไม่รอดเนื้อหาสาระที่แท้จริงของาศาสนาก็เลยไม่มีวันนี้อาตมาตั้งใจจะเทศอธิบายสภาพ ของความเป็นโซดาบันให้พวกเราได้ชัดขึ้นเท่าที่จะพอเป็นไปได้ในวันนี้ฟังดีๆแล้วก็ตรวจสอบไปอย่าลำเอียงเข้าข้างตนแต่ฟังดูด้วยความเป็นกลางจริงๆฟังเป็นกลางเป็นใจเป็นกลางตรวจสอบอารมณ์ตรวจสอบสภาพของตนเองมีทั้งกรรมกริยากายวาจาใจ สอดคล้องกับตามที่จะได้อธิบายให้ฟังนี้หรือไม่จะได้มั่นใจอัตมาขอยืนยันว่าในหมู่พวกเราเป็นอาริยชนกันอยู่เยอะเป็นอาริยบุคคลตามทางที่พุทธเจ้าท่านพาเป็นพาไปและเราก็ได้มีหมู่มีกลุ่มมีสังคมพุทธเพราะมีอาริยบุคคลมีคนมีชาวพุทธที่เป็นอาริยะ เมื่อมีชาวพุทธเป็นอริยะมีบุคคลจริงเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลหรือบุคคลอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกุตระเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งคนพบไม่ใช่โลกโลกียะเพราะโลกียะกับโลกุตระต่างกันแน่แน่อัตมากขาอธิบายฟังแล้วเพราะคนในโลกโลกุตระนั้นเริ่มนับว่าเป็นบุคคลในโลกโลกุตระตั้งแต่โสดาบันบุคคลขึ้นไป จนถึงอรหันต์หรือจะมีโพธิสัตว์มหาสัตว์อะไรขึ้นไปอีกก็ก็ด้วยทั้งนั้นแหละและคนเหล่านี้อยู่รวมกันแล้วจะมีวัฒนธรรมอย่างไรมีแนวคิดมีเป้าหมายของความความต้องการมีเป้าหมายของชีวิตที่พึงจะให้เป็นให้มีซึ่งเชื่อว่าชีวิตอย่างนี้แหละประเสริฐ โลกิยะหรือโ ล, โลกะธรรมธรรมดาเขาก็ไปแย่งชิงโลกะธรรมไปแย่งชิงลาภยศเสนโลกิยสุ ก, กันอยู่นั่นก็เขาไปจุดปุ่งหมายแห่งความประเสริฐของเขาความสมบูรณ์ของเขาความประสบพ้นําเร็จแห่งชีวิตโลกีย์เขาแต่โลกุตระนั้นมันทวนกระแสไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องชี้เครื่องวัดไม่มุ่งหวังที่จะไปแย่งชิงสิ่งเหล่านั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโลกุตระบุคคลหรืออริยบุคคลนั้นจะไม่มีลากไม่มียศไม่มีสันเสริญไม่มีสุขไม่ใช่สุขแต่ไม่ใช่โลกียสุขเป็นโลกุตระสุขหรือวูปสมโมสุขเป็นสุขอีกอย่างหนึ่งสุขด้วยความสงบระงับว่างสบายไม่ติดไม่ยึดปลดปล่อยได้สุขอย่างนั้นไม่จะสุขเสพสมสุขได้มาบำเรอ บําเลอมีลาบบำบำเลอก็สุขดีใจชื่นใจมียศบำบำเลอตนได้ยศได้สัญเสริญได้เสพกามสุขได้เสพสมอัตตามานะก็เป็นสุขไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหรือกรรมกิริยาพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมจึงไม่เหมือนกันกันกบชาวโลกียะไม่เหมือนกิจกรรมเราก็มีเหมือนกันนะ จะเป็นนักกศ MM. ิกรรมก็เป็นนักกศิกรรมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่เป็นนักค้าน hmm. ักขายก็เป็นได้แต่นักค้านักขายก็ไม่เหมือนกันจะเป็นนักอะไรก็แล้วแต่นักการศึกษานักเศรษฐศาสตร์จะเป็นนักรัฐศาสตร์ก็เป็นได้แต่ไม่เหมือนกันมาถึงวันนี้อาตมาพาพวกเราได้สร้างอาชีพหรือได้ประกอบอาชีพต่างๆเหล่านั้นมา ไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอะไรก็ประกอบตอนนี้ก็กําลังเข้าไปถึงรัฐกิจเข้าไปถึงการเมืองจะมีการศึกษามีการสาธารณสุขมีแม่แตระการพาณิชย์อะไรเราก็ทำแบบโลกุตระหรือแบบบุญนิยมอัตมาตั้งชื่อขึ้น่าเป็นบุญนิยมใช้ภาษาเรียกแทน จ, จริงๆมันก็เป็นซิมดนีมกับโลกุตระ หรืออาริยมันเป็นคำใช้แทนใช้ซ้อนใช้ใช้อธิบายความหมายใหญ่ๆก็มหมายหลักๆอันเดียวกันไดน้โซดาบันบุคคลนั้นองค์ให้ความเป็นโซดาบันโซดาปฏิยังฆะคือเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์ศีลแปลว่าปกติ เพราะฉะนั้นศีลห้านั้นคุณมีศีลได้ศีลในตนแล้วเช่นข้อหนึ่งว่าไม่ฆ่าสัตว์คุณจะมีจิตเป็นปกติที่ไม่ฆ่าสัตว์และมีสติรู้ตัวว่าเราสัตว์คือสัตว์เราจะไม่ฆ่าไม่มีเจตนาฆ่ามีเมตตาแน่แท้แม่สัตว์ทําร้ายขนาดใดขนาดหนึ่งเราก็จะไม่ฆ่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไปถือแค้นถือโกรธเขา เพราะความโกรธความโลภความเป็นราคะลดน้อยลงไปประมาณหนึ่งแล้วราศีก็หนึ่งสองสส่ห้ายงต่ำก็ศีนห้าศีนห้านั้นมีเป็นปกติปฏิบัติจนเป็นผลปกติความเป็นปกติที่แปลศีนก็ไปแปลกับปกติฟั่นเฟือปเป็นปกติที่ไม่เข้าใจเงื่อนไข ประกอบก็อธิบายไม่ถูกเพราะก็แปลว่าปกติก็ปกติไปเรื่อยเลยคนปกติก็ปกติยังไงปกติมีศีลศีลน่ะแปลว่าปกติคือปกติมีศีลมีศีลที่ปฏิบัติแล้วจนจิตนั่นเป็นปกติตามศีลให้ละเว้นเมื่อเป็นบาปสมาจารก็ละเว้นก็ละเว้นจนเป็นปกติ ไม่ข้าสัตว์เป็นปกติไม่ลักทรัพย์เป็นปกติไม่ผิดผัวเขามีใครเป็นปกติเป็นธรรมดาจะเรียกว่าธรรมตาหรือธรรมดานี่ก็ได้เป็นธรรมดาเป็นเรื่องสามัญสบายๆไม่ต้องฟื้นไม่ต้องยากไม่ต้องปฏิบัติอีกมันเป็นอย่างนั้นแล้วในตัวไม่โกหกเป็นปกติไม่เสพสิ่งเสพติดอันเป็นระดับอบายมุกเป็นปกติ ไม่มีจิตจะบอกว่าถึงขั้นอรหัตผลหรือเป็นขั้นวิมุตตก็ได้ใจมันวิมุตตใจมันถ้าห ย, ยาบแล้ววิมุตตสิ่งที่หยาบแล้วก็เป็นวิมุตตแน่ในระดับท่านถึงบอกว่าในอีกหมวดหนึ่งที่ยืนยันก็คือโซดาบันปิดอบายนะขีนานนิริยะ ภูมิคีนาปิติวิสัยคีนาอะไรอีกเตระชนันแล้วก็คีนาทุกติปินิปาตภูมิสีนั้นปิดดับสนิทไม่มีไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนที่จิตวิญญาณของของของแต่ละผู้แต่ละใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติแล้วมีคุณลักษณะของจิตวิญญาณนั้นอย่างนั้นจริง ถึงเรียกว่าปิดอบายจิต ไ, ไม่ไม่ไม่เป็นและไปเป็นอย่างนั้นอาตมาจะไม่ขยายความพรงนี้มากไปจากตั้งใจจะขยายยานเจ็ของพระโสดาวันนี้นะเพราะนี่เป็น อ, องครร์ประกอบของความเป็นโสดาบันปิดนิรยภูมิปิดเป ต, เป ต, เป ต, เปตวิสัยปิดเดริชานภูมิปิดทุกขววนิ ป, ปาตะปิดสแล้วก็ยังมีคุณลักษณะอีกสี่เรียกว่าเป็น8 คือมีโสตปันณนะมีอวินิปาตธรรมมีนิยตะสัมโพธิปรายนะ <c oughs> อีกสี่โสตปันณนะคือจิตเข้ากระแสะนี่แปลเป็นสำนวนนะเป็นภาษาเข้ากระแสะคืออะไรจิตปัญญาเนี่ยเกิดใหม่เกิดไปอยู่ในทิศทางของโล ก, กุตระกระแสะไปทางนี้โลกีก็วนอยู่ในลาบยศเสญโลกีสุขแต่ จิตที่เข้ากระแสโลกุตระมีแต่จะละล้ vision, blues, on, างลาบยศดสรรเสริญโลกีสุขมาทวนกระแสมีแต่จะละล้างโลลาบยอดโลกีโลกีสุขไปเรื่อยๆโสดาก็ได้ประมาณหนึ่งละล้างได้ประมาณนึงแต่โซดายังไม่หมดหรอกนะลาบยศสรรเสริญโลกีสุขก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่มีเลยยังจะไม่อะไรอววรและยังจะไม่มีการอยากได้อยากเป็นอยากมีอย่างมีลาบยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่บ้างไม่ใช่ยังไม่มียังไม่ยังไม่ใช่ไม่มีแล้ว มีอยู่ลดลงไปได้ประมาณหนึ่งถ้าจะว่าจริงๆแล้วประมาณ25ลดได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นกระแสนี้โสดาปันนะและไม่ตกต่ําไม่ตกขีดที่จะเข้าไปเป็นโล ก, กิยะอีกเอาวินิปาตธรรมอาจจะยึกยักเนี่ยได้มาก็ได้อาจจะแหน่หน่อยอนิดนิดหน่อยน้อยน้อ ย, อยได้แต่ในภาวะยึกยักยึกยักนี่มีแต่จะไปข้างหน้า อา้าวแล้วก็ตั้งใจใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องใดที่บรรลุทำได้สำเร็จก็นิยตตาโสตาปณาเอาวินิพัตธธรรมนิยตตเที่ยงแท้ไม่ยึกยักแล้วสบายเป็นปกตินี่ถึงขีดปกติจริงนอกนั้นก็โสดสัมโพธิปรายนะมีแต่จะสูงไปสู่ที่สุดคือนิพพานสุดท้ายมีแต่จะสูงไปที่สุดไม่มีตกต่ำอีกแล้ว ไม่มีถอยหลังตายชาตินี้เกิดชาติหน้าไปชาตินั้นอีกก็มีแต่จะเพิ่มภูมิไปแต่ก็ต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าตายแล้วเกิดอีก7ชาติไม่มากกว่า7ชาติก็จะได้บรรลุ ป, ปาา็นอรหันต์ก็จะไปเข้าใจง่ายๆแต่เกิดคือการกอคลอดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดอีกคลอดจากท้องม่อท้องพ่อท้องแม่อีกเครั้งแล้วก็เอาการเกิดนั้นเป็นการเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เป็นชราพุทชโยนิไม่ใช่ ต้องเกิดในรอบของโอปปาติกะโยนิจิตปัญญาณเกิดเป็นคุณธรรมในรอบอีกเจ็ดรอบอันนี้นี่อธิบายยากมากเป็นอจินไต่เจ็ดชั้นเะจ็ดรอบที่ว่านี้ซึ่งอาจมาก็พยายามเคยอธิบายในลักษณะของสังคยาเลขพวกนี้3มเป็นยังไง6เป็นยังไง7็เป็นยังไงเเป็นยังไงก็พยายามอธิบายให้ฟังอยู่แต่มันก็ไม่ง่ายนะวันนี้ก็ไม่ขอขายความตรงนี้อีกนะ หรือที่เข้าใจกันชัดๆอยู่ว่าโสดาบันจะต้องพ้นสังโยชน์เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันคุณลักษณะของโสดาบันดังที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นปกติบริสุทธิ์แข็งแรงต้องมีคุณธรรม8คือพ้นอบาย4และมีคุณธรรมอีกสโสตาปณนนะวิปปัตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะนี่ และพล ส, สังโยชน์สามพ้สังโยชน์สามอาตมาก็อธิบายสู่ฟังมาบ่อยสักกายะทิฏฐิอย่างไรมิจิกิจฉาอย่างไรศิลปัตปรามาสอย่างไรก็พ้นสภาพพวกนั้นพลนสักกายะทิฏฐิก็อธิบายแล้วอธิบายอีกหลายครั้งหลายคราวมากมายต่างกับมิจฉาทิฏฐิอย่างไรต่างกับอัตตานุทิฏฐิอย่างไร วิจิกิจชาก็คือมันไม่งมงายมันไม่ลังเลมันไม่สงสัยมันชัดเจนมันเข้าใจมันมันรู้จริงมันเข้าใจชัดมันแม้ว่าจะเข้าใจนั้นบรรยายเองไม่ออกเป็นภาษาไม่มีนิรุติภาษาปฏิพานที่จะอธิบายได้แต่อัต ธ, ธรรมะนั้นแจ้งกระจ่างในใจไม่วิจิกิจชา และได้ปฏิบัติตามศีลตามพรตตามศีลตามภาคปฏิบัติที่ท่านกล่าวท่านตรัสว่าปฏิบัติอย่างนี้หลักเกณฑ์คืออย่างนี้เมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วบรรลุอย่างนี้ศีลปตัตตปาม a านั้นเป็นความหมายว่าปฏิบัติตามหลักได้ประพฤติจริงพรตเมื่อประพฤติจริงแล้วมันมีผลจริงไม่ใช่ปฏิบัติไปก็ยังแค่์ทันได้ไม่ได้อะไรปฏิบัติไปเล่นเล่นระเหยแยะแยะ่รูบๆคลๆ จับจับจดจดผลเป็นยังไงไม่รู้ไม่เกิดไม่มีผลที่ชัดเจนไม่ที่พิผลแต่ไม่มีญาณรู้ต้องมีญาณปฏิบัติธรรมของโสดาบันมีผลแล้วก็ต้องมีญาณรู้เพราะฉะนั้นเราจะอธิบายกันวันนี้จะอธิบายถึงญาณรู้นี่แหละเป็นเครื่อง ที้อธิบายขยายความให้พวกเราได้เข้าใจความหมายซึ่งเข้าใจยากเหมือนกันยานเจนี่เข้าใจยากไม่ง่ายลองตั้งใจฟังที่อาตมาจะอ่านภาษาในพระไติปิฎกให้ฟังหนึ่งเที่ยวก่อนหลายหน้าเหมือนกันแต่จะบันทึกไว้ในเทปม้วนนี้จะมีภาษาในพระไติปิฎกทั้งเจ็ดยานทั้งเจนี้ไว้แล้วก็จะขยายความตาม ตามความเข้าใจของอาตมาเนี่ยเขาขยายไปเป็นภาษาขั้นตอนหนึ่งซึ่งอาตมาขยายความไว้เป็นภาษาง่ายขึ้นทั้ง7ข้อแล้วแล้วก็จะขยายในรายะละเอียดซ่อนไปอีกทีหนึ่งเป็นสมชั้นอลองฟังดูตั้งใจดูในประแต่ปิฎกเล่ม12ข้อ543สถึงข้อ550จํายง่าย ส, สูตรนี้ยานเจ็ดนี่จำง่า ย, ายอยู่ในเล่ม12แล้วข้อมันกลับหลังหันกันหนึ่งสสี่ห้าเลข1 2ึ4งสองสี่ห้านี่นี่คือเล่มแต่345สี่ห้านั้นมันกลับหลังคือ543สสวิธีจำง่า ย, ายจำไว้ยานเจ็ดนี่อยู่ในประจะเปิดกเล่ม12บ ข้อ 5,4,3 สามันกลับกัน 3,4,5 สี่ห้านฉะพั้นเลข1น3 4 5เอี่หนี่แหละคือยาน7เลขนะแต่ต้องสลับให้ถูกเล่ม12ข้อเอาเลขกลับ 5,4,3 สถึง 5,5,0 นะแต่เราจำข้อตนมันก็ใช้ได้แล้ว 5,4,3 สา เนื้อหาว่ า, างี้ตั้งใจดีๆอัตมาจะไม่อธิบายขยายความอะไรเลยจะอ่านภาษาของพระตุทปิฎกนี่ให้ครบไว้ข้อ5 4 3ดูกระพิสุทธิ์ทั้งหลายก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเป็นค่าศึกเป็นนิยานิกรรมนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบเป็นฉไหน ดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นโคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธฐานกิเลส ในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้มีอยู่หรือหนอดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายถ้าภิกษุทธิมีจิตอันการมาราคะกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปรายุทธฐานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยวมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปรายุทธฐานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยว มีจิตอันถีนิมิทะกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยวมีจิตอันอุทธจะกกุกุจจกกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยวมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยว เป็นผู้ขนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ก็ชื่อว่าเมาไม่ใช่ขอไปก็เป็นผู้ขนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกลุ่มรุมแล้วเทียวเป็นผู้ขนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกลุ่มรุมแล้วเทียวและเกิดขัดใจทะเลาะ วิวาททิมแทงกันและกันโดยหอกคือปากอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตอันประยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวภิกษุนั้นยอมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตอันประยุทธานกิเลสใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงประยุทธานกิเลสในภายในนั้น ที่เรายังละไม่ได้แล้วนี่ได้มีเลยจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจทั้งหลายนี่ญาณที่หนึ่งเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันภิกษุนั้นบรรลุแล้วเป็นอริยะเป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันภิกษุนั้นบรรลุแล้วข้อ544ดูกระพิกษุ์ทั้งหลายอีข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระ ง, งับเฉพาะตน ยอมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนออริยสาวกนั้นยอมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพจเจริญทําให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระ ง, งับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี่ยานที่สองเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปของปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วข้อห้ดูกระพิสษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพรามอื่นนอกธรรมวินนยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนอ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพรามอื่นนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนิยามที่สเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วข้อ5 4า ดูกระพิสุท์ทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมตาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นดูกระพิสุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรภิกสุทดูกระพิสุทธ์ทั้งหลาย ธรรมดานี้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัตนั้นในสำนักพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจรีที่เป็นวิญยูชนทั้งหลาย ครันแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นแล้วก็ถึงความสำรวมต่อไปเปรียบเหมือนกุมารที่อ่อนนอนหงายถูกทานไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉะนั้นอริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนิยาณที่สเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วกว็547ดูกระปิสุทธทังหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นดูกระปิสุดทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรดูกระปิสุดทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยะสาวกถึงความขนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทําอย่างไรของเพื่อนสะพรมจารี โดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีนสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นก็มีอยู่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วยช่ำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมโดยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้ยานที่หเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วข้อ548ดูกระพิสูทั้งหลายอีกข้อนึงอริยะสาวกย่อมพิจราจราณาเห็นดังนี้ว่า บุคคลพูดถ kind of ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพระเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นดูกระพิสูจน์ทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพระอย่างไรดูกระพิสูจน์ทั้งหลายพระนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยะสาวกนั้น เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วอันบันดิตแสดงอยู่ทำให้มีประโยชน์ทำไว้ในใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดฟังธรรมอริยะสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยจิติประกอบด้วยะละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยะละเช่นนั้น นิยานที่หเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วกว็549ดูกระปิสุทธ์ทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพระเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นดูกระปิสุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพระอย่างไรดูกระปิสุทั้งหลายพระนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อธรรมวินัยมีตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ปราโมทอันประกาศด้วยธรรมอริยะสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพระเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นนีิยานที่เจ็ดเป็นอริยะ เป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันริยสาวกนั้นบรรลุแล้วก็550ดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วโดวยการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปติพล์ดูกระพิสุทธ์ทั้งหลาย อริยะสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี่แลย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิผลนธชนี้และ mm. นั่นภาษาของพระไตรปิฎกทั้งหมด mm. ฟังแล้วก็เป็นภาษาที่เข้าใจก็ลำบากอยู่นะเริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่หนึ่งท่านขึ้นต้นโดย คำว่าไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันประยุทธฐานกิเลสใดกลุ่มรุมแล้วภาษานี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ตรัสกับภิกษุที่ตอนนั้นก็อยู่กันแต่ก่อนมันก็เหมือนอยู่ป่านะ แต่ป่าก็ไม่ได้เป็นนอกกลุงอะไรตอนแรกๆในท่านอยู่กับภิกษุส่วนมากก็อยู่กันเหมือนป่าบ้านเมือมันก็นเหมือนป่าป่าแต่มันไม่ได้ไกลอะไรหรอกซึ่งอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าขนาดวังพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ยังอยู่ไม่ได้ห่างจากที่ภูเขากิจกูที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนนั้นซึ่ง ชีว่ากับกมลพัทได้ทูลพระพุทธเจ้ า, ว, าว่าไม่ใช่ชีว่กับกมลพัทได้ทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูอยู่ที่วังว่าไปถ้าไปเขาท่ชกูดเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านอยู่พรั่งพร้อมอยู่ตอนนี้ก็จะเย็นแล้วก็พากันไปเลยยกทัพโยธาไปเดี๋ยวนั้นนะไปพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ดึกได้ดื่นอะไรสมัยก่อนนี้มีรถวิ่งได้ร้อยกิโลต่อชั่วโมงที่ไหนก็ไปกันด้วยเท้าเนี่ยผลักทัพกันไป ก็ไปถึงเดียวเดียวนี่คือการตั้ง้อสเกตในตำนานให้ฟังมันไม่ได้ใกลได้ไกลอะไรก็ขนาดวังแท้ๆก็คือป่าติดกับป่าก็ไม่ไกลอะไรกันนะมันจะกี่กิโลกันเชียวนะก็เดินไปถึงก็ไม่ได้ดึกได้เดินอะไรพระเจ้าอาชาศัตรูอาจจะนั่งรถก็ตามก็จะเป็นรถอะไรมากมายก็ต้องมีพลรทัพก็ต้องเดินตามก็เดินก็เหยะแยะๆไปงั้นรถก็เพียงต่นั่งไม่ให พระเจ้าเป็นดินต้องต้องเดินมันจะใช้ภาษาธรรมดานอกจากนั้นก็ต้องเดินด้วยกันไปทีนี้คำว่าไปสู่ป่าแล้วก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีไปสู่อะไรก็ดีนี่เป็นตน้นก็หมายความว่าให้นั่งคิดควรจะไปสู่ป่าสู่ที่ไหนที่สงบให้นั่งคิดใช้เตวิชชนพิจารณา ย่อมพิจรารณาเห็นดังนี้ว่าให้พิจรารณาตรวจสอบอารมณ์ทั้งที่มีมาเป็นบุเพนิวาสานุสติญาณจตูปปตาตญาณอาสวัคค ย, ยาญาณคือใช้ญาณสามเตวิชโชตรวด ต, ตรวจความจริงดูซิญาณทั้งหกนี้เราเป็นความจริงเราเป็นคนอย่างนี้ไหมนะตรวจล ะ, ละเอียดตรวจดีๆในสภาพที่นั่งนิ่งๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดสใว่าเนี่ยให้ใช้เตวิชโช ท่านเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> อ่าต่อเพราะงั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปในปับติปิฎกนี่มีอยู่มากที่ว่าไปสู่ป่าแล้วก็ดีสู่เรือนว่างสู่ที่แจงล้อมฟางอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีคำตามว่าก็ดีก็หมายความว่าเออ ก, ก็จะไปยังไงก็เถอะจะไปยังไงก็ได้จะทำยังไงก็ได้ เสร็จแล้วเราก็ไปโมเมเอาว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปสู่ป่าไปสู่เรือนว่างไปสู่นู่นแหละปฏิแจ้งลอมฟังมันก็ บ, บ้านที่ไหนแล้วก็มันลอมฟังมันก็ บ, บ้านค้นน่ะที่แจ้งลอมฟังอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนู่นนะเข้าป่าปลูกทะลุยไปสู้กับสิงสาราสัตว์อย่างที่เข้าใจผิดกันเนพัทธุดงเนี่ก็คือตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าเข้าใจกันเลอะเทอะตัวจิตเรมุ่งดิ่งไปนู่นกันเลยเข้าใจว่า โอพระปฏิบัตินี่จะต้องไปแล้วสู่ป่าจะทำอย่างนี้ก็ได้ก็ดีก็ตามก็เถอะจะทํางี้ก็เถอะเพราะฉะนั้นสํานวนอันนี้ถึงบอกว่าอ้าวตอนนี้ให้มันนั่งอันนี้ไม่มีที่แจ้งรอมฟงังแต่มีแค่นี้ไปสู่ป่าไปสู่คนไม้ไปสู่เรือนว่างไปสู่เรือนว่างเรือนมันอยู่ป่ามีที่ไหนลรอเรือนก็อยู่เรือนที่สงบน่อยก็แล้วกันที่แจ้งรอมฟังก็ได้ก็ได้แล้วทําเตวิชโช ทำเตวิโชนี่ต้องฝึกทุกคนต้องตรวจสอบทบทวนเราก็เคยย้ำเคยบอกพวกเราว่างจะนั่งมันก็นั่งเ่อก็นั่งสมาธิจะหลับตาหรือไม่หลับตาเมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากตรวจสอบว่า เ, ออเราผ่านมาบทเพก็คือตรวจสอบที่ที่เราผ่านมาแล้วนี่มีประสบการณ์มีกรรมกิริยามีอะไรผ่านมาแล้วแล้วเราเป็นไงอะ่ะเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสได้สู้กับอะไรก็สู้กับอะไรอะ่ะ มีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้และอะไรเกิดอะไรดับ <c oughs> กิเลสเกิดแล้วทาให้กิเลสดับได้ไหมให้กิเลสลดได้ไหมจุดตูปปัตญาดูความเกิดความดับอ่านความเกิดความดับที่จริงมีกรรมกิริยาเกิดก็ได้กุศลกรรมอกุศลกรรมกายกรรมเนี่ยเป็นอกุศลกายกรรมเป็ น, รร เ, ปนเป็นกุศลมันเกิดแล้วคุณทํามันระงับได้ไหมดับได้ไหมเกิดจนกระทั่งระงับที่จิตจิต ระงับอย่างดีเลยแล้วกายก็ไม่ออกวัจีก็ไม่ออกแม้วัจีออกไปอย่างนั้นจะเป็นวัจีที่ดูเหมือนจะแต่งแรงเหมือนหยาบๆแต่ไม่มีอกุศลจิตซอนไปอย่างนี้ก็ได้มีไหมตรวจความจริงให้ชัดเจนอ๋อมันถอนอาสวะแล้วกรรมกิริยานี้ศักแต่ทกรรมกิริยาด้วยเจตนาที่เป็นกุศลไม่ได้มีความเกลียดไม่ได้มีความโกรธ ไ, ไ, ไม่ได้มีความรัก แต่กุศลเจตนาพูดแรงทํากิริยาแรงด้วยคนดูเหมือนหยาบคนดูเหมือนโกรธแต่ไม่ได้โกรธกุศลเจตนาต้องการให้เขารู้ว่านี้ต้องการย้าต้องการทําอย่างนี้อะไรงี้เป็นต้นก็ต้องเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปให้ความจริงให้ได้ถ้าตัวเองยังมีอารมณ์โกรธก็ต้องอานวาเอ๊ะแล้วเรามีอารมณ์โกรธซ้อนหรือเปล่าตอนนั้นถ้ามันมีก็ต้องตรวจให้จ็ชัดว่าเออมันยังมีอยู่นะทํากิริยาแรงทางกายทางวาจา อารมณ์กิเลสก็ยังมีซ่อนปนอยู่ก็ต้องอ่า น, นทีนี้ก็ดูความหมายนะนี่ขยายความรอวอธิบายในภาษาแต่พระแต่ปิดกท่านว่างนั้นทีนี้ความหมายที่อาตมาพยายามมาพูดเป็นภาษาง่ายขึ้นไม่ใช่ภาษาพระแต่ปิดกแล้วเจ็ดข้ออย่างเหมือนกันจะอ่านไปรวดอีกเหมือนกันจะกินเวลาอีกพอสมควรนะ ผู้ที่จัดอยู่ในภูมิโสดาบันจะต้องมียานทั้ง7จจึงจะชื่อว่าเป็นผู้พรีบพร้อมด้วยโสดาโสดาปฏิผลได้แก่ 1. คนผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รู้แจ้งชัดในปริยุทธฐานกิเลสเช่นว่าเรายังมีนิวรณ์หกลุ่มรุมซึ่งก็เป็นนิวรณ์กิเลสในขั้นปริยุทธฐานตามฐานะแห่งภูมิของอริยชนระดับนี้ เราก็จะต้องรู้แจ้งในกิเลส น, น, นั้นได้จริงเป็นต้นนะหรือเราจะมีประยุท์ฐานกิเลสอย่างอื่นกลุ่มรุมนะเราก็สามารถรู้กิเลส น, น, นั้นได้กล่าวคือเป็นผู้มีจิตตั้งไว้ดีเพื่อจะเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนะยังเป็นผู้ขนขวายในการเกิดพอไปในการคิดเรื่องโลกนี้ หรือแม้ยังขนขววยในการคิดเรื่องโลกหน้าและยังมีสภาพเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิมแทงกันด้วยหอกอันคือปากอยู่ก็เป็นบ้างและก็ต้องรู้ว่าแม้แต่กินเลดในวอนก็ตามจะคิดเรื่องโลกนี้โลกหน้าก็ตาม ก็ล้วนเป็นกิเลสระดับปริยุทธ์ฐานเดี๋ยวค่อยอจะอธิบายความพระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องสามัญที่ปุถุชนทั่วไปจะเป็นเช่นนี้มีเช้นนี้เพราะเป็นโลกุตระเกิดได้เป็นได้เฉพาะอาริยสาวกผู้มีภูมิบรรลุจริงเท่านั้นขออ้อ2คนผู้นั้นเป็นผู้ไม่ ไม่หนีหน้าเหตุที่จะเกิดกิเลสหรือไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมผู้เอาแต่หลบหนีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดกิเลสแต่ต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้กล้าประจัญกับเหตุคบคุณกับปัจจัยนั้นๆตามชีวิตปกติสามัญอย่างเหมาะสมแก่ฐานะโดยกล้าประจัญกับสงครามกิเลสกล้าคบคุณกับสนามรบ ที่จะฆ่ากิเลสนั้นเสมอเรียกว่าอเสวนาหรือที่แปลในปตกว่าในพระธรรมกว่าเสพจนสามารถฆ่าละล้างหรือจนระ ง, งับดับกิเลสนั้นลงได้นับเป็นความเจริญนในประษาพระธรรมปติตปกท่านว่าไปสันส้นว่ า, าเจริญเราเสพเจริญทําให้มากซึ่งทิฏฐินี้ ในภาษาพิตกปัตติบิรกว่ายอย่างนั้นนี่ก็ขยายความคืออเศวนานั่นคือเสพทําให้เจริญนั่นคือภาวนาและต้องกระทําอยู่เสมอกระทําให้มากๆเรียกว่าพงศ์รีกำมังนะย่อมได้ความระ ง, งับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนะเพราะฉะนั้นในโสดาบันก็ต้องมีความระ ง, งับมีความดับกิเลสได้เฉพาะตนอยู่จริงนะนี่ข้อที่สอง ข้อที่สคนผู้นั้นจะมีปัญญายาณรู้ชัดได้ว่าทิฏฐิที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และมรรคผลชนิดที่เราปฏิบัติได้ผลมาแล้วนี้นั้นมันไม่เหมือนกันกับทิฐิอื่นชนิดอื่นของนักปฏิบัติอื่นซึ่งแม้เขาจะได้ผลของเขาก็จะเป็นอย่างอื่นๆืดันงนั้นผู้ที่ได้ผลอย่างสัมมนี้แล้วจึงเห็นแจ้งแน่ชัดว่า ไม่มีแบบไหนไหนจะมาเหมือนหรือยิ่งนอกศาสนาพุทธก็ยิ่งไม่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องสามัญที่ปุถุชนทั่วไปจะเป็นเช่นนี้มีเช่นนี้เพราะเป็นโล ก, กุตระเกิดได้เป็นได้เฉพาะอริยะสาวกผู้มีภูมิบรรลุจริงเท่านั้นก็ 4. ผู้บรรลุแล้วจะมีชีวิตเป็นอยู่ตามศีลที่ตนได้แลวนั้นอย่างสบายสบาย ไม่ลำบากใจเพราะศีลมีชีวิตไปกับศีลที่ทำได้แล้วสบายสบายเป็นธรรมดาสามัญแต่ถ้าหากเมื่อใดมีการบกพร่องในศีลหรือผิดพลาดในศีลที่ตนไ ด, ได้แล้วนั่นขึ้นมาก็จะรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจทันทีและจะรีบปรงอบัต ด, ด้วยสำนึกอย่างเร็วพลันทีเดียวแล้วสํารวมในข้อผิดพลาดนั้นๆต่อไปเปรียบเสมือน มือหรือเท้าของเด็กน้อยหากถูกทานไฟร้อนเข้าเมื่อใดจะรีบชักมือชักเท้านั้นหนีเร็วพลันฉะนั้นกล่าวคือคนผู้นี้เป็นผู้มีฮิริโอตตปะต่อศีลต่อธรรมของตนอย่างแท้จริงจะรักศีลสงวนธรรมที่ตนได้นั้นๆให้มั่นคงอยู่เสมอหากตนเกิดบกพร่องผิดพลาดในศีลที่ตนได้ตนดีแล้วนั้นขึ้นเมื่อใด ก็จะสำนึกทันทีและรีบแก้คืนกลับคืนทําศีลนั้นให้บริสุทธิ์ดังเดิมโดยเร็วมีชักช้าโดยความรักศีลรักธรรมความสํานึกในศีลในธรรมจะมีเป็นปกติธรรมดาของผู้เป็นโสดาบันซึ่งจะแตกต่างจากคนผู้ไม่ใช่โสดาบันหรือบุคคลผู้ไม่มีศีลผู้ไม่รักศีลรักธรรมอย่างชัดเจนเพราะผู้ไม่รักศีลรักธรรมหรือผู้ไม่มีศีล น, นั้น แม่เขาจะทำผิดศีลเขาก็ไม่รู้ไม่ชี้หรือแม่รู้ว่าเขาผิดศีลเขาก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะผิดศีลก็ผิดไปไม่เห็นจะหน้าตกอกตกใจอะไรและผู้ไม่ใช่โสดาบันก็จะไม่นำพาในศีลในธรรมต่อไปเป็นปกติสามัญตามธรรมดาของพุทุชนเขาก็จะเป็นธรรมดาสามัญอยู่อย่างนั้นไปอีกนานเท่านานพระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่าธรรมดาสามัญของ ผู้ทุชนทั่วไปจึงไม่ใช่ธรรมดาสามัญที่อริยะบุคคลเป็นได้หรือเป็นอยู่เพราะเป็นโลกุตระเกิดได้เป็นได้เฉพาะอาริยสาวกผู้มีมีภูมิบรรลุจริงเท่านั้นแต่ทั้งสองต่างก็มีความเป็นธรรมดาสามัญปกติของตนของตนทวะคนเราวิสัยก็ห <c oughs> ่าคนผู้อยู่ในภูมิโสดาบันหรือพูดถึงพร้อมด้วยมรรคผลแล้วนี้ จะต่างจากนักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ไม่สมาธิฐิหรือผู้มีทิฐิอื่นๆถึงขนาดเป็นผู้มีสมรรถนะพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษชนิดที่ปุตุชนทั่วไปอย่างนี้ชนิดที่ปุตุชนทั่วไปเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่พูดถึงพร้อมเดิมมรรคผลแล้วจริงจะมีสมรรถนะพิเศษนี้ได้อย่างเป็นธรรมดาเป็นปกติในชีวิตกันเลยกล่าวคือคุณภาพแห่งสมรรถนะพิเศษที่ว่านี้ จะมีทั้งสามารถเป็นผู้ปฏิบัติฌานไปพร้อมๆกับขณะที่มีชีวิตปกติลืมตาโป ร, ร่งๆ ม, มีอิริยาบถสามัญธรรมดาของคนที่กระตือรือร้นขนขวายทําการทํางานต่างๆหรือประกอบอาชีพไปด้วยหรือทั้งขณะเดียวกันพร้อมกันพร้อมๆกันกับที่ทําการทํางานทําอาชีพอยู่นั้นก็ปฏิบัติทำโดยสามารถพิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปด้วยมีสติสัมโพธชงธรรมวิจัยสัมโพธชงวิริยะสัมโพธชงคอยเพ่งพุ่งมุ่งปรารถนาแรงกล้าในการปฏิบัติธรรมให้แก่ตนเองไปในตัวชนิดมีประสิทธิภาพของปริญญาสหรือสมรรถทาน4ท่คล่องแคล่วแววไ ว, ไวตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่า ใครจะเก่งมากเก่งน้อยอย่างเป็นธรรมดาเป็นปกติของชีวิตที่เดียวทั้งธุรกิจการงานไม่ว่าเป็นงานต่ำงานสูงต่างๆของสังคมหมู่กลุ่มทั้งตนเองก็ยังมีความเพ่งพุ่งมุง่งดิงขันแข็งอยู่กับการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสัมมาในองค์มรรคทั้งแปดให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งก็คือการปฏิบัติอธิศิณสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาครบสูตรอยู่ในขณะนั้นนั่นเอง ไม่ต้องแยกเวลาแยกสถานที่ไปเป็นคนละเวลาเช่นเวลาทำงานทำอาชีพก็เป็นเวลาหนึง่งหากจะปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติฌานก็ต้องหยุดทำงานหยุดอาชีพไปอยู่แต่ในที่จำเพาะในเวลาจำเพาะอีกทีอีกทีหนึง่งอีกเวลาหนึ่งต่างหากการปฏิบัติธรรมของพุทธิสมมาทิฏฐิตามหลักมรรคองแไม่ต้องแยกเวลาแยกสถานที่แต่อย่างใดเลยเพราะ คุณภาพหรือประสิทธิภาพในข้อที่5ของคนผู้เป็นโสดาบันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไวน้นี้ต้องเป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติฌานอยู่พร้อมๆกันกับกา ร, ท ำ, การทำงานทำการทางานทาอาชีพมีอิริย บ, บทใดๆอยู่ตามปกติคนสามัญเปรียบเสมือนแม่โคลูกอ่อนที่เล็มยากกินด้วยและชํำเลืองเลี้ยงดูลูกน้อยไปด้วยพร้อมๆกันหมายความว่าทั้งสองอย่างทาอยู่ในขณะเดียวกัน ซึ่งข้อนี้เป็นที่น่าสังเกตยอย่างสำคัญว่าผู้ปฏิบัติตามหลักมักมีองค์8ที่เป็นสมาธิิจริงแล้วนั้นผู้ยิ่งบรรลุ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าถูกตรงแน่แท้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันไว้ก็จะเห็นว่ายิ่งเป็นคนกระตือรือร้อนขนขวายในกิจในงานสร้างประโยชน์แก่สังคมยิ่งยิ่งขึ้นด้วยและยิ่งสมาธิแน่วแน่อซึ่งเปช่สมาธิขณะนั่งหลับตา เ่าคือมีจิตรู้ครบหกทวารตื่นเต็มแววไวแต่มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือเอกขกตารมเพ่งดิงชนิชมนิชำนานในการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันกันกบขณะที่ทำการทำงานภายนอกยิ่งขึ้นโดยรู้ทันกิเลสไปในขณะที่มีสัมผัสอยู่กับอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นด้วยชนิดที่เป็นธรรมดาสามัญปกติในชีวิต ไม่ใช่ทำเป็นครั้งเป็นคราวหรือทำอย่างยากลำบากต้องฝืดต้องฝืนจึงเป็นผู้มีประโยชน์สร้างสรร์เอางานเอาการในหมู่คณะในหมู่ในคณะในสังคมเป็นคนขยันข้นขวายเพราะคิดพูดทำสิ่งที่ควรทำมีอาชีพสร้างสรร์อยู่ไม่ได้แยกการปฏิบัติธรรมปลีกหนีจากการมีชีวิตประจำวันอันเป็นปกติธรรมดาไปจากสังคมแต่อย่างใด อารยบุคคลที่สมาธิจริงจึงไม่ใช่คนผู้ยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งกลายเป็นคนเอาแต่หลงอยู่นิ่งๆว่างๆหยุดทื่อๆหรือยิ่งหนีสังคมไม่ประกอบการงานอะไรแล้วหลงนับถือกันว่านี่แหละคือผู้อยู่สงบผู้ตัดขาดผู้หลุดพ้นอย่างพาซื่อตามที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ได้พากันหลงเข้าใจผิดเอียงตรงไปหาลัทธิฤุษีชีไพราดาบท ผู้เอาจตหลงติดป่าติดธรรมบุคคลผู้ถึงพร้อมในทิฏฐิคอามรูที่เจ้าจะต้องปฏิบัติจนถึงขั้นขึ้นชื่อว่าเป็นธรรมดาสามัญกันทีเดียวซึ่งกว่าจะฝึกฝนจนมีได้เป็นได้ในอริยธรรมถึงขั้นชื่อว่าเป็นธรรมดาสามัญหรือเป็นปกตินิสัยในพระบาลีว่าธรรมตาป่านนั้นจึงไม่ใช่ธรรมดาสามัญของปุถุชนเป็นกันอยู่นแน่ พระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่าธรรมดาสามัญของปุถุชนทั่วไปจึงไม่ใช่ธรรมดาสามัญที่อริยบุคคลเป็นได้และเป็นอยู่เพราะเป็นโลกุตระเกิดได้เป็นได้เฉพาะอริยสาวกผู้มีภูมิบรรลุธรรมบรรลุธรรมจริงเท่านั้นแต่ทั้งสองต่างก็มีความเป็นธรรมดาสามัญปกติวงเล็บธรรมตาของตนของตนทว่า ต่างก็เป็นคนลวิสัยอันหนึ่งเป็นโลกุโลกียะวิสัยอันหนึ่งเป็นโลกุตระวิสัย 6. กคนผู้อยู่ในภูมิโสดาบันหรือผู้ถึงพร้อมเริมัรรคผลแล้วจะต่างจากนักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่สมมาทิฐิหรือผู้มีทิฐิอื่นๆถึงขนาดมีกําลังพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษชนิดที่ปุถุชนทั่วไปเป็นอย่างนี้ไม่ได้ แต่พระโสดาบันเป็นอยู่อย่างนั้นได้ปกติในตนสามัญธรรมดาเพราะผู้ที่มีภูมิโสดาบันหรือพูดถึงพร้อมด้วยมรรคผลแล้วจริงจะเป็นได้อย่างแข็งแรงภาษาบาลีว่าพลัตาถึงขั้นเรียกได้ว่ามีความเป็นอานาจภาษาบาลีก็ว่าพลัสตาในตนเองจนเป็นเองได้จนเป็นตนเองได้พึ่งอย่างวิเศษ นี่คืออัตหิอัตโนนาโถแท้ๆนะจนตนเองได้พึ่งอย่างวิเศษคือได้พึ่งพละตาอันนี้ได้พึ่งความเป็นอํานาจหรือความแข็งแรงในตนเนี่ยมันเป็นอินทรีย์และก็เป็นพละลและมีความเป็นกําลังก็คือพละตตาจนสามารถสืบทอดเนื้อแท้ของพระาศาสนาไว้ได้ทีเดียวกล่าวคือ คนผู้นี้จะสามารถเข้าใจและรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงไว้ดีแล้วแม้จะมีบัณฑิตคนใดแสดงธรรมต่างๆออกมาอย่างไรก็จะรับได้รู้ได้ตั้งใจไตรตรองเลือกเฟ้นเอาได้ว่าอย่างนี้คือพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่จึงกอบก่อประโยชน์ได้ทาใจในใจจนเกิดคุณค่าได้มีใจที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ต่อธรรมทั้งปวงและเป็นผู้จดจ่อตั้งใจ ฝ่ ฟ, ฟังเอามาไตรตรองอย่างดีอย่างแข็งแรงถึงขั้นเรียกได้ว่าความเป็นกำลังความเป็นอำนาจคือพละตานับว่าเป็นผู้สามารถเก็บเอาพระสัต ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าได้สามารถคุ้มครองพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าไว้สืบทอดต่อไปได้เพราะเป็นอริยสาวกจริงผู้มีเชื้อพุทธแท้ย่อมสืบทอดต่อพันพุทธแท้ อันนี้เป็นเพียงเชื่อแท้ระดับต้นคือโซดาบรนหากเป็นผู้มีเชื่อแท้ระดับสูงกว่านี้ก็ยิ่งจะสืบทอดพันแท้ได้คุณภาพดีกว่านี้ก็เป็นอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเป็นปกติสามัญธรรมดานั้นเป็นความธรรมดาคือพระบาลีกว่าธรรมตาเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอยู่กับปุถุชนหรือเป็นอยู่กับอริยชนแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความต่าง ในความเป็นธรรมดาของคนสองฐานะนี้แน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาริยธรรมในตนได้แล้วจะเป็นธรรมดานั้นจนเป็นธรรมดานั้นมันไม่ใช่ความเป็นธรรมดาสามัญที่ปุถุชนทั่วไปเขาเป็นอยู่และปุถุชนย่อมเป็นเช่นอริยสาวกเป็นไม่ได้เพราะเป็นธรรมดาที่เป็นโลกุตระที่เกิดได้เป็นได้เฉพาะอริยสาวกเท่านั้น แต่ทั้งสองต่างก็มีความเป็นธรรมดาสามัญปกติของตนของตนก็คือมันเป็นคน ว, วิสัยอย่างที่กล่าวแล้วข้อเจ็ดความเป็นผู้อยู่คนผู้อยู่ในภูมิโสดาบันหรือพูดถึงพร้อมด้วยมรรคผลแล้วจะต่างจากนักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่สัมมาทิฐิหรือผู้มีทิฏฐิอื่นๆถึงขนาดมีกำลังพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษชนิดที่พลุชนทั่วไปเป็นอย่างนี้ไม่ได้ แต่พระโสดาบันเป็นอยู่อย่างนั้นได้ปกติในตนสามัญธรรมดาคือธรรมตาเพราะผู้ที่มีภูมิโสดาบันหรือผู้ที่ถึงพร้อมได้มรรคผลแล้วจึงจะเป็นได้อย่างแข็งแรงคือมีพลตาถึงขั้นเรียกได้ว่ามีความเป็นอํานาจพลตาในตนเองจนตนเองได้พึ่งอย่างวิเศษนี่ก็คืออัตติอัตโนนาโธและมีความเป็นกําลังจนสามารถสืบทอดเนื้อแท้พระศาสนาไว้ได้ทีเดียว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 ความรู้อัดอีกนะอัดเทเวทะหมายถึงได้สิ่งที่เป็นแก่นแท้บรรลุผลตามที่มุ่งหมายย่อมได้รู้ธรรมธรรมเวทะหมายถึงได้ความจริงต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งเป็นปรากฏการณ์เป็นเหตุเป็นผลต่างซึ่งมีทั้งสมมติธรรมและประมาถธรรมมากมายเชิงชั้นสลับซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมตามบารมีเท่าที่ผู้ น, นั้นผู้นั้นจะสามารถ ย่อมได้ความสุขใจยินดีร่าเริองอิ่มเอมเรียกว่าปามุชชะอันเกิดขึ้นจากธรรมอย่างแข็งแรงขั้นอย่างแข็งแรงที่เรียกได้ว่ามีความเป็นกําลังหรือมีความเป็นอํานาจเรียกว่าพละตานับว่าเป็นผู้สามารถเก็บเอาพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าได้สามารถคุ้มครองพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไว้สืบทอดต่อไปได้เพราะ เป็นอริยะสาวกจริงผู้มีเชื้อพุทธแทย่อมสืบทอดต่อพันพุทธแทพระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ชัดในพระตรปิฎกเล่ม12ข้อ5 4 3ถึง550ว่าอริยะสาวกผู้ประกอบพยานเจ็ดนี้แล้วย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโซดาปฏิผลชธชนี้แล ก็อ่านทั้งที่เป็นภาษาที่พยายามแปลเป็นไทยและก็ขยายความประกอบไปให้ฟังแล้วก็คงยังรู้ยากอยู่อีกแหละเอา้าขยายไปเป็นข้อๆตามเวลาที่มีข้อหนึ่งนั้นพระเจ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ แต่กิเลสนั้นเป็นกิเลสระดับปริยุท ธ, ธ์ฐานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการพยาบาทที่นมิท h อุทธักุจจะกุกุจกจะหรือนิวรหะผู้ที่เป็นโซดาบันก็จะรู้จะเข้าใจว่ามีวีติวีติกมกิเลสที่เราเคยมีเราได้ทําผ่านไปแล้วเราดับได้แล้ว เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีภูมิที่รู้กิเลส ข, ของเราอยู่ในระดับขั้นต่อมาคือขั้นปริยุท ธ, ธ์ฐานเพราะฉะนั้นจะมีคู่เทียบเราจะรู้ตัวเราว่ากิเลสที่เราทําไปแล้วนั้นมีผลแล้วโสดามันจะต้องรู้ว่าเรามีผลแล้วกิเลสที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกามพยาบาทที่เหลือที่นิมิตรอุจจจะนิวรห้าทั้งหลายหรือจะเป็นโลกนี้โลกหน้า ถ้าเราดําริไปมีโลกนี้มีโลกหน้าโลกนี้ก็คือลาบยศสรนเสริญโลกยสุขอิทธโลกของมนุษย์ปุถุชนหรือโลกีนั้นโลกนี้อิทธโลกโลกหน้าหรือโลกใหม่หรือโลกอื่นเรือว่าปรโลกหรือปรัญปรันจโลเกอะไรเนี่ยก็คือโลกุตระเราจะไปคํานึงถึงอย่างไรอย่างไรก็เป็นโลกนี้ที่ได้ลดละมาแล้วในระดับปริยุทธาน โลกนี้ที่เป็นลาบยศสั้เสริญโลกียสุขผู้ที่เป็นโสดาบันนี้จะรู้ว่าเราก็มีความติดจุดหรือยังมีสภาพของระดับปรายุทธฐานเราละมาได้แล้วประมาณหนึ่งลาบก็ตามยศก็ตามสั้นเสรก็ตามโลกียสุก็ตามเรามีลถได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะคํานึงถึงโลกหน้าปราโลกที่เป็นปราโลกแบบโลกุตระปราโลกแบบธรรมะของพระเจ้าแล้วก็คํานึงอย่างในระดับปรายุทธฐานเข้าไปเรื่อยๆ ทำให้สำเร็จอยู่เสมอนี่ในข้อหนึ่งนี่อธิบายความง่ายง่ายให้ฟังนี่ญาณที่หนึ่งนิยานข้อที่1และพระพุทธเจ้าท่านก็นตัดไว้ชัดเจนว่ า, เ, าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีในปุถุชนทั่วไปหรือไม่สาธารณปุถุชนไม่มีในปุถุชนทั่วไปความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นโล ก, กุตระเกิดได้เป็นได้เฉพาะอริยะสาวกภูมิภูมิบรรลุจริงเท่านั้น ภูมิอย่างนี้นี่ปุถุชนไม่มีมีไม่ได้ไม่รู้เรื่องอ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกมิติกรรมกิเลอย่างไรปริยุติฐานกิเลสอย่างไรประมาณไม่เป็นตรวจไม่ได้เราจะรู้ว่าไอ้ทิละประมาณหนึ่งของกิเลสแปงกิเลสจัดกิเลสหยาบ ก, กามก็ตามพยาบาทก็ตามทินามิาตมกมะก็ตามอุตจักขุกจักก็ตามเราก็จะรู้ว่าเออประมาณนี้เรลยว่ามิติกรมมนี่หยาบที่เรามีแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้เราลดได้แล้ว รถได้ถึงขั้นต่อมาในค้ออื่นๆจะยืนยันว่าเป็นธรรมดาหรือธรรมตาไม่ใช่อะไยังปฏิบัติอยู่ยังฝืนยังสู้อยู่ยังทําไม่ได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้แล้วนะขออ้อ2คนผู้นั้นเป็นผู้ไม่หนีหนะ้าเหตุที่จะเกิดกิเลสก็คือเป็นผู้ที่เสพในนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเราเสพจเจริญทําไม่มากซึ่งทิฏฐินี้ทิฏฐินี้ก็คือใน พบในความในในระดับนี้แหละทิฏฐิทิศดีในทิศดีหรือในหลักเกณฑ์อันนี้ในความเห็นความรู้ความเข้าใจขนาดนี้ะจะเป็นผู้ที่จะมีผู้ที่เป็นผู้ที่มีอาเสวนาภาวนาพระหุรีกรรมมังเพราะฉะนั้นจะไม่ย่อหย่อให ญ, ให ญ, ให ญ, ใหญ่เพราะผู้นี้เหมือนผู้ที่ได้เพชรได้ทองโซดาบันจะเป็นผู้ได้อริยทรัพย์จะรู้คุณค่าของอริยทรัพย์ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์ก็จะรู้คุณค่าของอริยทรัพย์จะไม่เป็นคนเฉื่อยชาในการปฏิบัติธรรมเพรา ะ, ะโสดาบันคือผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่เฉื่อยชาจําไว้เพราะผู้ใดได้มาดีเฉื่อยได้อะไรมันเล็กน้อยถ้าปฏิบัติแม้แต่จะเป็นเรื่องยา่ากเช่นเราไม่กินเนื้อสัตว์เราเลิกบุหรีเลิกเหล้าเราเลิกเครื่องแต่งตัวเลิอกอะไรก็ตามแล้วต้องอาในใหชัดเจนแล้วเราจะรู้โอ้นี่เป็นมรรคเป็นผล พอคนที่รั่วามากมาผลคู่นี้จะเออจะเสพคุณปฏิบัติได้แล้วก็ยิ่งจะปฏิบัติอีกปฏิบัติได้แล้วก็จะยิ่งปฏิบัติอีกจะมีอาเสวนาจะมีภาวนาทําให้เกิดผลเกิดผลยิ่งยิ่งขึ้นภาวนาภาวนาเกิดผลทําให้เกิดผลยิ่งยิ่งขึ้นจะมีพระหุริกำมังจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีอารมณ์รั่วมีจิตที่เป็นอย่างนี้จริงนั่นนหละผู้เข้ากระแสจริงเพราะผู้ยังไม่เข้ากระแสจริงก็คือมันต้องพยายามฝืนใะห้มันเข้า จนเขามันเข้าแล้วมันก็จะเกิดจิตโอยินดีเหมือนผู้เจอเพชรเจอทองมันได้โอ้โหนี่เพชรที่ทองที่เรามุ่งหมายมันยิ่งกว่าเพชรกว่าทองพอเพราะฉะนั้นมันจิตมีจิตจริงเห็นว่านี่โอ้โหนีจึงมีอาเสวนายิ่งจะไม่หนีห่างจากธรรมะอันนี้ยิ่งจะเข้ามาคบคุณยิ่งจะมาเสพคุณจะปฏิบัติกับเหตุปัจจัยอย่างไรก็จะยินดีปฏิบัติจะไม่ถดถอยจะไม่ไม่ไม่อยากหนี มันจะมีกิจใจมีไฟเหมือนกันจถอะสนุกง่ายๆมีไฟแล้วทําให้เกิดผลต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดจึงจะเกิดความเข้าก้าวหน้าอยู่เสมอนะข้อที่สคนผู้นั้นจะมีปัญญารู้ชัดว่ามรรคผลที่ปฏิบัติได้ผลแล้วเนี่ยนะมรรคผลที่ปฏิบัติได้แล้วมันจะไม่เหมือนนะจะไม่เหมือนกับทิศทีอื่นชนิดอื่นของนักปฏิบัติอื่น ซึ่งแม่เขาจะได้ผลของเขาก็จะเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นมรรคผลที่ได้นี้นี่ยิ่งจะแน่ใจว่าไม่มีแบบไหนจะมาเหมือนยิ่งนอกศาสนายิ่งไม่ใช่ใหญ่ถึงแม้ในศาสนาพุทธด้วยกันเองก็ตามมันจะเข้าใจแล้วว่าโอ้โหยิ่งใครไปผ่านมาหลายๆสำนักแล้วก็ไปได้มรรคได้ผลตามสำนักต่างๆพาธรรมแต่พอได้โซดาบันนี่จริงๆแล้วมันจะชัดเลยว่ามันไม่เหมือนนะ ไปนั่งรับตาสกดจิตมาจากมุมไหนก็แล้วแต่แล้วก็บอก็<ๆ>ได้มักได้ผลด้วยไปเพง่งลูกแกวลูกขินมาได้มาไงที่ได้อันนี้แล้วมันจะไม่เหมือนจะมียานตัวนี้บอกรู้เลยว่าโอ้ยอย่างนี้นะใช่แล้วใช่ทางใช่จริงๆริลดกิเลสจริงๆกิเลสเป็นอย่างนี้ลดแล้วว่างอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะเข้าใจจริงๆเลยนในยาณข้อที่3เนี่ยจะเห็นว่าไม่เหมือนกับไอท้ที่เราเคยรู้เคยผ่านเคยอะไรมา สรุปแล้วก็คือคนที่มาปฏิบัติธรรมถึงขั้นเข้ากระแสเป็นโซดาบันเนี่ยจะมีบารมีจริงๆรู้ว่าโลกียะธรรมเป็นอย่างไรโลกุตระธรรมเป็นอย่างไรอ๋อได้ผลทางโลกียะหรือว่ามันไม่เหมือนโลกียะมันออกนอกเรื่องไปมันไม่ชัดหรอกมันไม่จริงหรอกจะรู้ว่ามันไม่เหมือนก็ไม่รู้เราไปรู้เองก็แล้วกันญาณนี้มีเองก็แล้วกันรู้มันไม่เหมือนจริงๆนะมันจะแน่ใจนะ พระเจา้าจึงทรงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องสามัญที่บุตรชนทั่วไปจะเป็นเช่นนี้มีเช่นนี้เพราะว่าเป็นโลกุตระเกิดได้เป็นได้เฉพาะอาริยะสาวกภูมีภูมิบรรลุจริงเท่านั้นนะข้ที่4ผู้บรรลุนี่เนี่ยผู้บรรลุแล้วเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ตามศีลที่ตนได้เพราะฉะนั้นโสดา ป, ปัตยังฆศีลห้านี่ความหมายของศีลห้าขนาดไหนก็ตามศีลที่ตนปฏิบัติได้แล้วนั้นมันจะอยู่ได้เป็นปกติ สบายไม่บรรลุไม่ได้หมายความว่าต้องฝึกอยู่ทําอยู่ฟืดฟื้นอยู่ ย, ยังเข้มยังแข็งอยู่ยังลําบากใจอยู่ไม่ใช่ในความหมายของศีลอาจจะเป็นความหมายอย่างต่ำต่ำตื้นตื้นก็าตามอย่างพื้นฐานก็าตามเราไม่ฆ่าสัตว์มันก็จะเป็นใจสามัญเลยว่าโ อ, โ, อโอ้สัตว์นี่จะมีสติสัพพัญญารู้สัมผัส ต, ต่อสัตว์แล้วก็จะรู้ดีเลยว่าเราเป็นปกติเราไม่ต้องอยากฆ่าเลยต่อให้มันร้ายยังไงก็ไม่ไป อยากจะทำรายมันเลยนะมันจะไม่ทำรายสัตว์จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์เห็นทรัพย์ของใครก็โอ้ไม่ลักรู้ว่าัานะ์เป็นขโมยไปเอาของเขามาเป็นของเราไม่อยักได้แต่ไม่ใช่หมดความโลภฟังตรงนี้ให้ชัดรู้ว่านี่เป็นทุจริตรู้ว่านี่เป็นบาปเอาของเขาอันไม่ใช่ของเรามันเป็นบาปมันทุจริตจิตนั้นจริง จิตนั่นรู้ว่าของเขาไม่ไม่เอาไม่เอานี่คือจิตจริงมันน่าได้เออมีฟังให้ชัดนะโอ้อันนี้น่าได้เออแต่ไม่ใช่ของเราจะไม่มีจิตที่ฝืนยากเลยว่าเอาไม่เอาเอาไม่เออฝืนสู้นั่นอ๋ออยากได้เอาไม่อย่างนี้ไม่ใช่โสดาอย่างนี้ยังไม่ใช่โสดา ถ้าโสดารู้ว่านี่ไม่ใช่ของเราถ้าเอาก็เป็นฐานะแห่งขโมยจิตจะไม่เอาจิตรู้ว่นีไม่ใช่ของเราจิตก็จบจะไม่ฟื้นจะไม่ยากสีก็อสองนี้เป็นตน้นเพราะสีจะมีปกติเป็นธรรมดานะเพราะงั้นสีในข้อพวก น, นี้เนี่ยที่ได้แล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าไปทำให้ผิดขึ้นมา โอ้โหด่างพร้อยร้อนใจข้อสเนี่ยจะมีหิริมีอตตะปะนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเกิดผิดที่เราได้ปฏิบัติได้แล้วศีด่างพร้อยนี่โอ้โหจะรู้สึกเสียดายจะรีบแก้กลับจะรีบตรงอบัติจะรีบสลัดคืนเหมือนเด็กจับไฟร้อนรีบถอนมือชั้นใดก็ชั้นนั้นจะเป็นของจริงกับตัวเองรู้สึกมไม่ดี รักศีลรักธรรมที่ตนได้นี่ก็สข้อห้าข้อหนี่ก็พูดซ้ําพูดซากมาหลายทีแล้วมากมายแล้วคิดว่าไม่ต้องอธิบายมากก็ได้ข้อนี้จะเป็นคนที่ขยันเป็นคนเอาภาระและเป็นคนปฏิบัติธรรมข้อนี้ยืนยันว่านี่แหละคือพุทธพุทธไม่ใช่ไป็นนั่งหลับหูหลับตาแล้วไม่ทํางานนี่จะนั่งหลับได้จะนั่งหลับนั่งสงบไม่ใช่ เป็นคนทํางานกิจน้อยกิจใหญ่ของ Sabha ทรรมิกของส a พรหมจรรยหรือการงานของเพื่อนฝูงผู้ปฏิบัติที่เป็นหมู่เป็นฝู ง, งที่ทํางานที่รับผิดชอบอยู่ด้วยกันจะเป็นคนเข้าใจเอาใจใส่ทํางานเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อุดมสมบูรณ์เป็นศาสนาที่ขยันหมั่นเพียรเป็นศาสนาที่ทําการทํางานไม่ดูได้ปฏิบัติทำเป็นปฏิบัติทำไปด้วยทํางานไปด้วย เหมือนแม่โคลูกอ่อนเลี้ยงลูกไปด้วยเล็มย้าให้ตัวเองกินด้วยเล็มย้าให้ตัวเองกินก็คือปฏิบัติทําได้มรรคผลของตัวเองหรือว่าได้ปฏิบัติทําของตนเองดูเลี้ยงดูลูกไปด้วยก็คือทํางานทํางานนอกทํางานของคนอื่นเพราะฉนั้นทํางานมีซึ่งอธิบายแล้วอธิบายเอกธรอธิบายมีทวารทั้ง6สัมผัสอยู่แล้วก็สามารถเข้าใจรู้จักอายตนะรู้จักปัญญาณรู้จักปัจจารู้จักปัญญาณรู้จักเวทนารู้จักอารมณ์ จับอารมณ์ได้วิเคราะห์วิจัยได้แล้วก็สามารถลดละกิเลสประหารได้มีประหารนะปริญญาได้เป็นโซดาบันแล้วต้องมีมรรคผลประหารได้มาแล้วถ้าประหารไม่ได้มันก็ไม่ใช่โซดาบันนะเพราะงั้นสรุปแล้วก็ข้อหนี่เป็นข้อยืนยันว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่จะสร้างโลกเป็นศาสนาที่จะช่วยสังคมเป็นศาสนาที่จะกอบกู้สังคม เริ่มตั้งแต่เป็นอารยะบุคคลเนี่ยมารวมกันแล้วอย่างเงี้ยเป็นอารยะบุคคลซึ่งมีภูมิธรรมมญานที่ข้อที่5เป็นโซดาเป็นโสดาบรรจิงจะเป็นคนมีความเอาใจใส่การงานอย่างสบายๆในข้อที่6ที่7ต่อไปแล้วจะเป็นคนมีธรรมดาขยันเป็นธรรมดาไม่ใช่ขยันฝืนคําว่าเป็นธรรมดาคือมันเป็นเองมันเป็นธรรมดาเป็นสามัญเป็นง่ายๆมันเป็นไม่ยากถ้ายัง ขี้เกียจมันก็เป็นอบายยมุกอยู่แล้วมันไม่ขยันมันจะเป็นโสดาได้ยังไงจะขยันที่เพื่อนทํางานใครทํางานเรียบแล้วก็พูดได้ก็เราก็อยากทําที่เราทําเราขี้เกียจไม่อยากไปกูเหนื่อยกูหนักอะไรก็แล้วแต่ขี้เกียจอยู่อย่างงั้นมันยังไม่ใช่โสดาหรอกโสดาบรรจะเป็นคนที่มีธรรมดาที่เอาใจใส่ทํากิจน้อยใหญ่ของสหพรมปราจารี ของเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมีงานการร่วมกันทําด้วยกันเนี่ยไม่ว่ากิจน้อยกิจใหญ่ก็จะขยันมันเพียรทําเอาดูดูแลอาช่วยด้วยและปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติธรรมกับการงานในขณะคิดขณะพูดขณะมีการอินทรีบทการกา ร, การทําอะไรก็แล้วแต่หรือทําอาชีพอยู่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งนั้นได้นะนี่ข้อห้าสำคัญมากก็หก ข้อหนี้มีข้อสําคัญอยู่ก็คือแข็งแรงเป็นอํานาจมีกําลังเป็นกําลังเป็นของตนเองได้พึ่งได้พึ่งคุณธรรมอ น, นี้เป็นกรรมปฏิสรโนเป็นอัตติอัตโนานาโถได้อันนี้แหละคุณธรรมที่ได้อันนี้แหละตนเองได้พึ่งได้พึ่งอย่างไรเรามาอ ย, อยู่ที่นี่เราได้พิสูจน์กันแล้ว คนที่มาอยู่ที่นี่เมื่อมีอารมณ์ถึงขั้นไม่ฟืนไม่ฟืน อ, อย่างที่อาตมาว่าเพราะคนที่อยู่ในที่นี้นี่ผู้เป็นโสดาบันจะเห็นได้อยู่กับหมู่ไปก็ทำงานไปขยันหมั่นเพียรไปและก็มีอินทรีย์พละมีกําลังมีอำนาจในความขยันนั้นๆๆๆเมื่อขยันทํางานมีกิจมีการอะไรอยู่อยู่ในหมู่ในกลุ่มเนี่ยคนที่อยู่รวมกันนี่ก็จะเห็น แม้อัตมาพยายามที่จะให้สังคมของพวกเรามีวัฒนธรรมถึงระดับสาธารณโภคีไม่ต้องมีไรายได้แลกเปลี่ยนเลยเราก็สามารถทํางานอยู่ในนี้ขยันมันเพียรทําคนก็จะเห็นโอ้คนนี้เอาใจใส่การงานมีจิตใจดีไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้โลภโมโทสันอะไรทีเดียวอัตมาพา พ, าพิสูจน์ถึงขั้นสาธารณภคีคุณก็ยิ่งจะรู้ง่ายโอ้คนคนนี้ไม่เอาเลย คนนี้ทำงานฟรีคนคนนี้ทำชัดเจนแล้วก็ทำอย่างนี้น่ะเมื่อคนคนนี้ทำอย่างนี้เพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันสะพรมจารีนี่ก็จะเห็นไอ้คนนี้เจ็บป่วยเหรอเพื่อนจะช่วยคนนี้นจะกินเดี๋ยวเพื่อนจะหาให้ถ้มามันติดงานติดการเพื่อนจะเอ็นดูเพื่อนจะอุ้มชูนี่คือการพึ่งตนเองด้วยคุณธรรมเป็นพลรตาเป็นกำลังเป็นอำนาจเป็นอัตติอัตโนนาโถ พิสูจน์เห็นบ้างไหมในหมู่คนพวกเราคนชนิดนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นใครมาแฝงเป็นตัวเล่นตัวหมัดอยู่ในนี้เนี่ยจริงอาจจะไม่เป็นอบายมุขอาจจะไม่ต่ำกว่าเกรดเท่าที่เราบับุไว้บางกฎบางขมมาพยายามทำตนเป็นกฎขมไม่มีเราไม่ทำให้มันต่ำกว่าศีลห้าไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่มีอบายามุกอะไรอะไรบ้างก็กดข่มเราได้แล้วก็มาอยู่แฟนไปหลบหลับหลบนอนหลบเลี่ยงงานรอยไม่เข้าเกณฑ์ของข้อ5ข้อ6อะไรนี่เลยไม่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ5ข้อ6นี่เลยไม่เอาใส่การงานสัตว์พมจารีจะมีงานอย่างงานน้อยงานใหญ่กิจน้อยกิจใหญ่อะไรฉันก็เลี่ยงไปเลี่ยงมาแล้วก็ไม่มีอานมาไม่มีพละกําลังอะไรที่จะแสดงตนว่าตัวมีธรรมตาและตัวมีพลตา มีธรรมตาหรือมีพลตามีความเป็นสามัญของความขยนันความเอาใจใส่ความเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมในข้อหําทำงานทำการไปด้วยพร้อมเหมือนแม่โคลูลกอ่อนเป็นขนาดพลตามีกำลังมีอำนาจที่ชัดเจนถ้าไม่มีกำลังขนาดนี้ก็ยังไม่เข้าสู่ความเป็นโซโดาปฏิพันธ์อันสมบูรณ์ ฟังเข้าใจวันนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนที่ยังรู้สึกตัวเองอยู่ว่ายังมีอะไรแฝงยังมีอะไรปนอยู่เล็กน้อยจะปรับได้ง่ายสําหรับคนที่มีบารมีจริงโดยเฉพาะเจโตเป็นแล้วแต่มันยังมีกิเลสแฝงอะไรเล็กๆน้อยกระซิบแต่ถ้าเข้าใจวันที่วันนี้ที่อาตมาอธิบายแล้วจะเห็นคนขยันจะเห็นคนไม่เฉื่อยชาจะเห็นคนไม่เอาเรื่องไม่เข้าท่าอยู่เพราะอะไรเพราะอยากเป็นโซดาบัลอ้าวเป็นได้ก็เป็นได้จริงอะ่ะปรับตัวเสีย อย่าให้กิเลสมันมากระซิบอย่าให้กิเลสมันมัดึงเอาไว้เราจะมีกําลังขึ้นพลังสร้างสรรค์จะเกิดจริงๆรงินี่ไม่ใช่พูดเอาใจนี่คือสัจจะตามยานที่ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะฉะนั้นข้อหนี้เป็นความมีอํานาจมีพลตาแม้แต่ข้อ6กหรือข้อต้นท่างก็มีธรรมตามาแล้วตั้งแต่ต้นธรรมตาก็คือมันเป็นธรรมดาสามัญของอริยะไม่ใช่ธรรมดาสามัญของปุถุชนมันคนละเรื่องกัน แต่เขาเป็นธรรมดาเหมือนกันคนโ ล, โลกเขาก็เงินเาก็ยึกยักยึดยักไปตามโล ก, กีเป็นธรรมดาแต่ความมาเป็นโลกุตระมันเป็นธรรมดาได้แล้วมันก็เป็นโลกุตระจะเข้าใจความนี้เป็นไนพอเข้าใจไหมมันธรรมดาได้อย่างนี้นันเพราะงั้นถ้าเพราะว่าคุณธรรมที่บอกไปแล้วในยานข้อหงนี้จะมีกําลังจะมีพลรตาจะมีความเป็นอํานาจเป็นความวิเศษ ที่ตนเองจะพึ่งได้อย่างที่อธิบายไปแล้วที่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโสดาบันแท้ๆเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะดีคุณลักษณะเป็นประโยชน์คนลักษณะที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพอสมควรแม้จะฝืดฝืนของตัวเองก็ไม่อยากนักทําได้สบายๆทําได้จกนกระทั่งเป็นได้เห็นได้พอสังเกตกันได้เพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมโสดาบันจึงเป็นคนมีประโยชน์อาตมาถึงบอกว่าให้มาพิสูจน์ถึงขั้นสาธาราพรคีนี่ยิ่งจะ พิสูจน์กันได้ง่ายอ่านได้เห็นง่ายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโสดาบันจริงๆจริงๆและอาตมาบอกให้อีกขั้นหนึ่งคนที่อาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี่โอ้โหคนนี้เค ย, ยันนี่ทํางานทานําการอยู่นี่ไม่เกี่ยงไม่ว่าคนนี้ก็จะเลี่ยงเอาเปรียบกินแรงเราจะ อ, าอะไรกะไอยู่เขาก็จะไม่ถือสาอะไรเขาก็จะทํางานขยยันไปตามเรื่องตามราทําไปพออาตมาพาทำถึงขั้นสาตารณโภคีคนคนนี้ทำแล้วก็จะมันก็จะชัด โอ้โหคนนี้นี่มีคุณคุณภาพมีประสิทธิภาพชั้นสูงเลยเพราะคนอื่นก็จะเห็นว่าเอาคนนี้นี่ น, น่าบูชาน่าเคารพน่านับถือเพราะฉะนั้นเขาจะเกิดความลำบากยากเจ็นอะไรคนก็จะมีใจอยากช่วยอย่างที่ยกตัวอย่างอะไรเขาจะเจ็บป่วยคนนี้ก็จะมีคนเข้าไปช่วยดูแลหรือว่าคนนี้จะมีอะไรขัดข้องคนนี้ก็จะเข้าไปช่วยเ อ, อิมเป็นอะไรเนี่ยเอาธรรมนุนนี่ให้ช่วยมือช่วยไม้เพราะเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ ถ้าเป็นอย่างนี้คนที่มีคุณธรรมอย่างที่อาตมาอ่านเล่าให้ฟังนี้จะไม่ใช่แค่โสดาโดยซ้าไปจะสูงกว่าโสดาบรลเพราะมันเด่นชัดเพราะอาตมาตั้งค่าว่าถึงขั้นสาธารณาโคีคนที่ทํางานถึงลาเพนะ่าลาพังนี้ชิกิงสนาตาคือทํางานฟรีนะั้นมาระดับอนาคามีขึ้นไปคนระดับอนาคามีขึ้นไปฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นคนมาทํา กิจการงานในระดับไม่รับเงินรับทองแลกเปลี่ยนคนนี้นี่เอาภูมิอนาคามีมาให้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติภูมินี้ได้อย่างสบายธรรมดาสามัญแสดงว่าเ้าเอาภูมินั้นมาปฏิบัติอย่างน้อยเขาต้องเป็นสกิทาคามีนีไม่ใช่โสดาบันฑ์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็จงพึงเข้าใจโดยปริยายว่าโสดาบัณ น, นั้นก็ไม่ถึงสกิทาคามีไม่ถึงอนาคามีเพราะฉะนั้นโซดาบัณก็ต้องขยันประมาณหนึ่ง อาจจะซับซ้อนหน่อยที่อาตมาอธิบายพอฟังเข้าใจไหมอ่านี่มันก็เข้าใจยากอยู่นะแต่นี่คือคนจริงนะคนจริงส่วนข้อเจ็ดนั้นยานข้อเจ็ดนั้นผู้ยูนในภูมิโสดานั้นจะรู้จักอัถะจะมีความรู้อัดมีความรู้ธรรม คือเป็นผู้ที่ลึกซึ้งท่านยืนยนันถึงสัจจะ ส, สูงก็ไปเอกนะจะเป็นผู้รู้อัตรู้ธรรมจะมีปมมุตชะจะมีความยินดีร่าเริงอินเอ็มใจเพราะฉะนั้นในคนเป็นโสดาบันแล้วจะไม่น่ายุงหน้ามองหน้านิ่วคิ้วกระมดไม่เพราะมันจะเบิกบานร่าเริงในธรรมที่ตนได้จะชื่นชมในธรรมที่ตนได้เพราะฉะนั้นแม้คนจะเอาเปรียบกูรู้แล้วเรามาลงกุทระ เราจะยังวนอย่างนี้จะไม่ไปเกี่ยงคนนั้นเกี่ยงคนนี้อัตามาน้าจะไม่สูงถึงขนาดแม้ไปเกี่ยงคนนั้นเกี่ยงคนนี้รังเกียจคนนั้นคนนั้นมันกินแรงเราคนนี้มันไม่โซดาบรรู้ถึงแม้จะมีกิเลสอยู่บ้างรู้บอกแม่คนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยนะก็รู้ความจริงของเขาอาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยอัตมา ต, ตกไปในข้อนหนึ่งอธิบายขยายความนี่ตกไปในลักษณะหนึ่งก็คือ ยังเป็นผู้ขนขวายคิดในเรื่องโลกนี้หรือแม้ยังขนขวายในเรื่องคิดในเรื่องโลกหน้าก็เป็นปริยุทธทางกิเลสและยังมีสภาพเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิมแทงกันด้วยหอกอันคือปากอยู่โสดาบันยังกัดกันอยู่สรุปง่าย อย่าไปนึกว่าโซดาบันนั่นก็คือผู้ที่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่ไปอะไรก็ใครเรียบร้อยไม่ทะเลาะวิวาสไม่ทะเลาะไม่วิวาสไม่ทิมแทงกันด้วยหอกอันคือปากหอกอันคือปากนันไม่ใช่หอกจริงนะเพราะเราไม่มีแล้วในพวกชาวโสมเรามันหอกจริงมันทิมแทงกันไม่มีหอกเล็กหอกไม้อะไรก็ไม่ทําแล้วแต่หอกปากน่ะแม่ ดับตาปิดหูก็ได้ยินก็เห็นห อ, อกปากกันะยังมีพราะโสดาบันก็ไม่ใช่เป็นแหม่เรียบร้อยไโอ้โหกลุ่มคนนี้โซดาบันทั้งหมดเลยโอ้ยไม่มีสงบเรียบร้อยไม่มีทะเลาะวิวาสไม่มีขัดแยง้งไม่มีห อ, อกปากพูดอย่างนี้ไปเลยก็บอกเอาละไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เราทีนี้เราหอกเกลื่อนเลยทีนี้เรายุ่งเลยนะ พอจะมาพูดอย่างนี้ไปแล้วแล้วก็โหชีโพงให้กระรอกความจริงแล้วเราต้องสังวรสังวนอย่าให้มันมีห อ, อกปากมันมีอยู่ก็รู้ตัวปริยุทธฐานกินเลสต้องทําให้มันสงบทําให้มันลดลงนั่นคือผู้ภาคเพียรเจริญอยู่อริยบุคคลคือผู้เจริญเรื่อยไปไม่ใช่พอฟังนี้เลยก็เลยโอ้ยวนเลยเราไงเป็นไดโสดาบันจะมีห อ, อกปากได้เลยห อ, อกปากไม่เก็บเลย ที่นก็อยู่เรื่อยเลยในนี้ไม่ใช่โสดาหอกมัน ม, ม, มีมีฮีโรตปะในข้ออื่นๆไงจะละอายว่านี่มันเป็นบาปยังเป็นของไม่ดีก็จะสังวรสํารวมจะปรับตัวเองแต่มันสุดวิสัยมันก็มีบ้างเพราะฉะนั้นก็ยังมีอยู่จะมีทะเลาะมีวิวาทมีหอกอันคือปากอยู่เป็นธรรมดาในนี้นในข้อหนึ่งเลยอาตมาตกหล่นไปเมื่อกี้นี้นะก็ย้อนขอย้อนมาที่ข้อหนึ่งหน่อยทีนี้มาข้อ7เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่ารู้อัด อัดคืออะไรนะอัดเวทะเวทะกับแปลว่าความรู้ลเ ะ, ะเวทะอัดเทวะธรรมเวทะรู้อัดรู้ธรรมนะย่อมได้ความสุขใจยินดีร่าเริงอิ่มเอมเรียกว่าปรมมุชะนะแล้วก็มีถึงขั้นเรียกว่าพลรตารู้อัดก็ในขั้นพลรตารู้ธรรมก็ในขั้นพลรตามีความอิ่มเอมปรมมุช ะ, มชะเนี่ยตามุชะเนี่ย ก็ในขั้นพลาตามีกําลังมีอํานาจมันมีกําลังในตัวกําลังขนาดนะกำลังที่เรียกว่ามีการรู้ในอัดเนี่ยรู้ในเนื้อหาแก่นแท้รู้ในผลที่มุ่งหมายตามที่มุ่งหมายเนี่ยผลขนาดนี้เนี่ยมันมันรู้มันมีเวทามันมีความรู้มันรู้ในอันนี้ตัวผู้ที่มีภูมิธรรมอันนี้มันจะมีความรู้อันนี้จริง คนที่ไม่มีความรู้อันนี้จริงก็ไม่ใช่โสดาบัณคนที่เป็นโสดามันต้องมีความรู้อันนี้จริงว่ามรรคผลคืออย่างนี้อัถฐคืออย่างนี้ธรรมะคืออย่างนี้อัถะแปลว่าแก่นแท้ธรรมะก็แปลว่าองค์ประกอบทั้งหลายและเป็นสิ่งต่างๆอันมีปรากฏการณ์อันมีสิ่งที่เป็นความจริงอย่างนั้นอยู่นี้เป็นเหตุบ้างเป็นผลบ้างอะไรแล้วแต่มีสมุติธรรมมีปรมาตธรรมมีความมีอลาัางการองค์ประกอบต่าง ๆ, ๆ, ๆก็รู้หมดเรื่องว่าธรรมเวทะ อัฏฐะก็คือเนื้อแท้เนื้อแก่นธรรมเวทาก็มีองค์ประกอบพร้อมจะรู้ว่าโอนี่เป็นองค์ประกอบของธรรมะองค์ประกอบของสัจธรรมองค์ประกอบของสัจธรรมในระดับโสดาบันของเราสีหน้ามีอัฏะอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้มีความหมายก็มันอย่างนี้มีจุดเนื้อหาว่าจะต้องทำให้ได้ขนาดนี้ก็จะเป็นคนมีความรู้อ น, นันพอทั้งอัดทั้งรม มีอย่างชัดเจนมีอย่างมีกำลังมีอย่างมั่นใจมีอย่างแข็งแรงด้วยอย่างนี้เป็นญาณข้อที่เจ็ดเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโสดาบันเมื่อใดมีเตวิโชทบทวนตัวเองเสมอพยายามทำความเข้าใจตนเองเสมอตรวจสอบ เรามียานดังกล่าวนี้ไปแม้จะดังไล่เรียงเป็นลําดับลําดับอะไรยังไม่ได้แต่เราก็จะต้องเข้าใจจะต้องรูนะ้ว่าเราเองนี้มีกิเลสซึ่งได้ทําให้หมดลงไปแล้วประมาณหนึ่งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนี้เป็นต้นนะและเราก็สามารถที่จะมีภาวนามีอาศวนามีภาวนามีพระุลธกรรมมังนะและก็รู้ว่า รู้ว่าไอ้ที่ได้เนี่ยมันไม่เหมือนของอันอื่ น, นในสี่ข้อที่สามอุปนิยานข้อที่ส ม, มันไม่เหมือนอันอื่ น, นในข้อที่สีก็มีได้แล้วนี่มันโอ้โหรักศีล ร, รักธรรมเหมือนเด็กจับไฟถ้าไปผิดพลาดจะเสียดายจะรีบแก้กลับไม่ให้มันด่างพร้อยไม่ให้มันเปื้อนเหมือนเรามีผ้าสะอาดเราทําได้นี่เป็นศีลของเราบรรลุแล้วอันนี้เหมือนเราได้ผ้าสะอาด มันเปื้อนโอ้โหรีบซักรีบล้างเหมือนเด็กจับไฟรีบถอนมือนในข้อที่สี่ข้อที่ห้านี้จะต้องเหมือนแม่โคลูกอ่อนจะมีความเขยันเป็นธรรมดามีความมีปฏิการปฏิบัติรมไปพร้อมกับการทำงานทำการอะไรได้ข้อที่หกก็ มีอะไรนะข้อที่จุดเด่นมีความเป็นพละตานะที่6มีความเป็นกำลังเป็นอำนาจอย่างมั่นใจมีความแข็งแรงในมรดในผลที่เราทำได้อย่างเข้าใจคือเป็นการสอดคล้องกับที่ว่าเอาวินิปาตธรรมนิยตะมันที่ยงแท้มันแข็งแรงมันมัน่นคงมีกำลัง ในเนื้อหาเนื้อแท้ของคุณธรรมที่ได้ก็หกมันจะรู้ว่าเออในอแข็งแรงเราใช่เรายืนยันเป็นพลาตาเป็นกําลังเป็นความกํางแรงเป็นอํานาจในตนในสิ่งที่เราได้เราเป็นนั้นๆส่วนข้อที่เนั้นรู้อัดรู้ธรรมและก็มีความเบิกบานร่าเริงเพราะพุทธเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ร่าเริงเป็นผู้ตื่นเพราะฉเจ้นจะ ม, มีความเบิกบานร่าเริงเป็นโสดาบันจะไม่มันดูยีอยูยีหมุนมองเพราะมันจะเจริญในธรรมมันจะเบิกบานสดชื่น ได้สิ่งที่ดีชีวิตเหมือนคนดีใจได้อะไรเด็กได้ขนมได้ลูกอมดีใจเบิกบานร่าเริงก็แค่ได้ลูกอมมันก็ยังเบิกบานร่าเริงใม่ไมน่ามีเหวี่ยวไม่โหดอะไรมันจะเป็นคนที่ได้สิ่งมันจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตที่มีสิ่งนี้เป็นคนที่ประสบผลสำเร็จเราได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้โลเกียเราก็ยังดีอกดีใจได้มาแลว ถ้าเรายิ่งเข้ากระแสโลกุตระเราก็จะรู้แล้วโอ้โหเราได้สิ่งที่ไม่ใช่โ ล, โลกียะเราก็จะรู้สึกว่ามันจะมีค่าเราได้เพชรได้พลอยได้ทองในเงินเป็นโลกียะก็ดีใจไปทั้งวันทั้งคืนในสาวันสามคืน4วันสคืนไม่โกรธง่ายนี่ได้สิ่งที่ยิ่งกว่าเพชรกว่าทองกวโลกียะคนทั้งคนได้สมบัติที่เป็นอริยะสมบัตินี่โสดาบัต จึงไม่ใช่สามวันสามคืนมันจะเป็นเป็นเตือนเป็นปีมันไม่โกรธไงมันไม่น่าบึงน่าบูดนอกจากจะมีภาวะบางภาวะที่แทรกซ้อนเล็กๆน้อยๆแต่สามันจะเป็นคนเบิกบานร่าเริงเพราะฉะนั้นคนจะยังหน้าหุบเหี่ยวระยุไม่ไม่โสดามันจะมีบ้างมีการที่บอกว่าหน้าไม่สดชื่นไม่เบิกบานไม่มีปามุชะมันจะมีอยู่บ้างเป็นครั้งคราวที่แทรกซ้อนมาแต่สามันส่วนใหญ่ที่ต่อเนื่อง จะเป็นคนเบิกบานด่าเรืองยิ่มเยีมจะเป็นคนสดชื่นเพราะเราตรวจสอบแล้วเรามั่นใจแล้วเรารู้อัดรู้ธรรมของสัต์จะธรรมที่เราได้จึงเบิกบานด่าเรืองปามุชชะเพราะมีอัตถเวทะมีธรรมเวทะอิจายานข้อที่เจมันต้องมีญาญารู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออยงนั้นจริงนะโอ้โหเราเป็นไม่ใช่คนธรรมดาเราอริยะบุคคล แต่ระวังมันจะหลงนะแต่หลงถ้าแสดงบทบาทของพระโสดาบันให้เต็มที่อย่งี้ก็ดีเหมือนกันนะหลงว่าเราเป็นโสดาตั้งแที่เราไม่แข็งแรงแต่เราก็ทําให้เหมือนเลยนะก็ไม่เป็นไรสักวันนึงก็เป็นจริงแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหอ่านจิตเราออกมาตอนนั้นเรายังมันยังมันยังค้างคา ง, งมันยังไม่ใช่แต่เรานี้เราพยายามภาคเพียรทำ ทำเป็นเหมือนให้มันเข้ากลหลักเข้าเกณฑ์เขาศีล็ทําทำมาเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาสามันวันนึงมันก็โอ้โหแล้วเราก็จะรู้ตรงนั้นที่เรามันยังไม่หลุดเออมันหลุดแล้วมันมันผ่านแล้วมันหลุดพ้นแล้วเราก็จะเห็นความจริงอันนั้นได้นะอ่านี่เป็นความพยายามที่อาตมาจะสาธยายยานทั้งเจซึ่งเคยตั้งใจว่าจะอธิบายให้ดีๆหน่อยนะเพราะมันยาก มันยากจะอธิบายให้เข้าใจกันได้ก็พยายามใ่วันนี้ก็มีเวลาอันสำคัญคือวันมาคบบูชาอาตมาก็ได้พยายามสาธยายให้ฟังใครยังไม่เข้าใจยังเข้าใจไม่ได้ไดด่าดีก็เอาเทปมวนนี้ไปฟังซ้ำฟังซ้อนอีกสัก579เเที่ยวฟังถ้ามวนมันยืดก็มาซื้อเอาใหม่ไปซื้อฟังอีก ฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็ไปท ด, ทดสอบตรวจสอบในหมูชาวอาโศกเรานี้อาตมาขอยืนยันว่าพวกเราเข้ากระแสแต่ว่าพวกเรานี้ยังมีเจโตวิมุตต์ที่มันยังไม่มีปัญญาวิมุตต์ที่จะอ่านจิตอ่านอารมณ์อ่านพฤติกรรมของตนและมันก็จะมีความซ้อนมันก็จะค้างค้างอยู่เพราะเราไม่เข้าใจว่าอ๋อมันจะต้องเข้าร่องเข่ารอยตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่เป็นอย่างงี้งง วันนี้อธิบายไปแล้วร่องรอยต่างๆที่พระพุธทธเจ้าตรัสว่ายานนั้นยา น, นี้ส่อแสดงอย่างนี้สื่ออย่างนี้บอกอย่างนี้ก็ฟังไปเสร็จแล้วก็ไปทําความเข้าใจตนเองอ๋อนี่เรายังค้างอันนู้นนี้อยู่เพราะว่ากิเลสมันยังไม่ได้หมดแท้กิเลสมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมันมีบทบาทอยู่ได้ถ้าเราเข้าใจไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปปลดมันได้ง่ายขึ้นถ้าเจโตของเรามันวีมุติจริงเข้าใจได้ปัญญาหรือได้ปฏิพานแม้แต่จะเป็น สุตมยปัญญาเป็นปัญญาที่ฟังไปตามแค่ฟังนี่ก็ตามเสุดแล้วถ้าคุณมีเจตโตรจริงๆนะจิตมันถึงแล้วเจโตมันถึงแล้วพอคุณฟังด้วยปัญญาหรือสุดตมยปัญญาไปมันก็จะไปเป็นภาวนามยปัญญาง่ายได้เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบอกโอ้โหงี้เลยไม่แค่นี้เองอ่ะเพราะฉะนั้นอาตมาหวังไว้ว่าไอหน้าบูดบูดเนะี่ยคงจะหน้าไม่บูดก็อีกต่อไปตอนนี้คนจะหายหน้าบูดอีกเยอะ ถ้าคุณหน้าบูดกับคุณหน้ายิ้มแย้มน่ะอันไหนมันจะดีกันไม่น่าจะต้องถามหรอกเ น, ะนาะหน้ายิ้มแย้มมันก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจที่อัตมาพูดไป น, นี่ก็เป็นเพียงกิริยาที่เป็นภายนอก แต่ถ้าเมื่อว่าจิตคุณเห็นจริงแล้วมันอา่านจิตตัวเองเป็นจังโอ้โหเราได้อริยทรัพย์เราได้มรรคได้ผลอ่ามันว่างี้มันเบางี้แล้วมันก็มีคุณธรรมเจ็ประการอย่างที่ว่านี่โอ้นี่เราเข้าร้องเข้ารอยเลยเนี่เราเป็นโสดาบันคุณก็ได้อริยทรัพย์ขั้นโสดาปฏิภูมิโอ้โหภูมิโสดาบันเรามีแล้วเราถึงภูมินี้แล้วเหมือนคุณได้ยิ่งกว่าแก้วกวเพชรก็ทอง คุณจะดีใจไม่ใช่หวันไม่ใช่เจ็ดวันได้รางวัลอันนี้มาแสนบาทได้รางวัลอันนี้มาหมื่นบาทดีใจไปสองวันสาวันไอ้นี่มันไม่สองวันสาวันรอมันจะปามุชะมันจะฤดร่าเริงเบิกบานยินดีในนี้ไประวังจะบ้าแล้วกันอ่ามันไม่ถ้าบ้ามันไม่ใช่แท้ๆแล้วมันมันอะไรกันแล้วมันหลงสันเซิญหลงอะไรมันบ้านะมันเป็นได้นะ คนที่หลงผิดแล้วก็ยิ่งเป็นหลงผิดด้วยมันไม่ใช่แต่เข้าใจว่าใช่แล้วก็นึกว่าจะต้องเป็นคนเบิกบานะนึงกลายเป็นคนบ้ายีม้มไปไหนก็ยีมมันก็อาตมาเขคงจะน่าค ง, คงจะต้องเศร้าใจเนะาะสอนดีๆกลายไปเป็นบ้าซะแล้วอาตมาก็คงจะไม่ไมรู้จะทํำยังไงก็ขออย่าให้เป็นเลยนะ อ, อนก็ตรวจกันดูนะพยายามใช้ ความเข้าใจอาตมาก็ได้พยายามที่จะอธิบายนะเข้าใจยากยริงอาตมาอธิบายจากเนื้อหาอาตมาบอกให้เลยว่าแม้อาตมาเองนี่นะอ่านแล้วอาตมาก็ยังเห็นอยู่ว่าท่านแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันยังไม่อ่ะยังมันยังไม่ค่อยเข้าทีเท่าไหร่หรอกอาตมามาแปลเขาซ้อนกขาไปอีกมันก็ยังยากอยู่พอสมควรอีกแหะเพราะฉะนั้น คนที่ไม่รู้จักเนื้อหาแท้ๆก็แปลภาษาสู่ภาษาเท่านั้นก็เท่าที่มันฟังได้เท่านั้นแหละอ่าเท่าที่พอจะเป็นไปได้ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยถ้าอาตมามีจตุปฏิสัมพิทายานมากกว่านี้อีกยิ่งกว่าวินาทีนี้ยิ่งกว่าวันนี้ในอนาคตคงจะได้อธิบายยานเจดนี้ได้ดีกว่านี้ได้ง่ายกว่านี้ได้เก่งกว่านี้อีกหรอกสําหรับวันนี้อาตมามันก็ได้แค่นี้ มันต้องอาศัยความชํานาญในการสื่อในการที่จะพยายามดึงปฏิพานเอานิรุติภาษาจะตุปติสัมพิทาญานี่กับ ม, มีมีอัตทมีธรรมะมีน ม, มีนิรุติมีปฏิพานด้วยปฏิพานหนึ่งนิรุติหนึ่งอัตทะหนึ่งธรรมะหนึ่งแม้อัตมาจะมีอัตทะมีธรรมะอยู่แต่ปฏิพานกับนิรุติมันก็ยังไม่พอมันก็จะอธิบายไม่ได้ไปไปได้ดีเท่าไหร่ แต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอัตมาก็าอัตมาอธิบายได้ดีขึ้นกว่าเก่าเรื่อยๆเพราะมันยิ่งใช้มันก็ยิ่งมีพหุสูตรมีอัถะอ่อไม่ใช่มีมีนิรุตติภาษามีภาษามีคำความมีสำนวนอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีปฏิภาณในการใช้ภาษาใช้สําเนียงสํานวนอะไรเหล่านั้นสื่อ มีเหตุปัจจัยมีเหตุมีผลมีองค์ประกอบมีเครื่องเทียบเครื่องเคียงอะไรอธิบายได้ดีขึ้นกว่าเก่าบ้างนะนั่นเป็นเนื้อหาของสิ่งที่เราจะเดินทางถ้าได้เริ่มต้นเป็นโสดาบันเราก็มีสัมโพธิปรายนะ <c oughs> มีหวังที่จะเดินทางไปสู่จุดสูงสุดคือนิพพานหรอือคือความเป็นอรหันต ได้แน่นอนแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสแน่นอนและอตาตมาก็เห็นแน่นอนอาตมาเชื่อแน่นอนอาตมาเห็นจริงเพราะว่าก็ผ่านสิ่งเหล่านี้มาก็รู้ว่ามันจริงจึงเอามาพูดยืนยันด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าจริงนะั้นเราจะจริงเพราะเรามีจริงมันก็ก็คือสิ่งที่เรามั่นที่สุดอเอามาพูดว่าจริงเพราะเรามีสิ่งนี้จริงแล้วเรามาพว่าจริง ไอ้ น, นี่แหละมันจริงอย่า ง, างนี้นะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เชื่อรู้เจ้าเพราะอาตมาว่าอาตมาพิสูจนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าเออมันจริงโซดาบัลมันก็จริงอย่างนี้แล้วมันก็จะมีปรากฏในตัวเรามันก็จะเกิดกรรมกิริยาในตัวเราเพราะสังคมชาวโศกเราทุกวันนี้เนี่ยมีคุณธรรมพวกนี้พอสมควรนะอาตมาก็เชื่อว่าเราจะได้พัฒนาขึ้นไปต่อไปอีกให้มันสมบูรณ์เป็นผู้มีโซดาปฏิผลอันสมบูรณ์นะ อย่างเป็นผู้รู้ชัดรู้แจ้งไม่ใช่งมงายไม่ใช่ถูกหลอกไม่ใช่ผิดทางด้วย <c oughs> ถูกทางถูกเนื้อแท้แล้วก็มีจริงเห็นอยู่รู้อยู่อย่างจริงเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเมื่อได้เทศยานเจ็ดนี่ไปแล้วพวกเราก็ไปตรวจสอบดูจะไปนั่ง พัฒน า, าตรวจสอบแ ต, ต่วิชฌลกตัวเองในบางครั้งบางคราววันนั้นวันนี้ก็ตรวจไปมีเวลาว่างตอนไหนก็เอาตรวจดูผ่านมาแต่ละวันแต่ละวันก็ตรวจไปเรื่อยๆอ๋อวันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้วันนี้ผ่านมาอ๋ออย่างนี้ใช่แล้วนี่เขารอกเข้ารองที่พุทธเจ้าตรัสไว้อความเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้นถูกเนาะอย่างนี้วิติกรรมกิ directed, เลสปฏิยุทธานกิเลสเอออย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะ อย่างนี้เรามีการเสพคุ้นอยู่เรามีภาวนาเรามีอาเสวนาภาวนาพระองค์ดีกำมังอ่เออสิ่งที่ได้นี่มันไม่เหมือนแทมันไม่เหมือนเอกอื่น ๆ, ๆื่นลัทธิอื่นๆอย่างอื่นอ่นบางคนไปเคยสํานักโนนสำนักนี้มายิ่งชัดเลยโอ้มันไม่เหมือนไม่เหมือนของศาสนาไหนไม่เหมือนลัทธิไหนไม่เหมือนของไอ้ที่มันไม่ใช่สมาธิทิอย่างนี้นะมันอย่างนี้จริงจริงอะอย่างนี้เป็นต้นมันจะยืนหยัดยืนยันมันจะเป็นผู้รักศีลรักธรรม ในข้อที่4ี่ถ้ศีลมันด่างมันพร้อยโอ้โหมีฮิริอมีอตุตปะจะรีบทำแก้กลับแก้คืนะจะเป็นคนมียานในข้อที่5เขาถูกต้องโอ้เราเป็นคนขยันเป็นคนปฏิบัติทำเป็นแล้วเหมือนแม่โคโคไม่ลูกอ่อนเป็นแล้วข้อ5าข้อ6ก็มีพระตาะมีความ แข็งแรงมีอำนาจมีอะไรอยู่ในตนมีสิ่งนี้ยืนยันมีพลังแข็งแรงในความเป็นคุณสมบัติของโสดาบันโดยเฉพาะมาตั้งแต่ข้อหนึ่งยันข้อห้ามานั่นแหละข้อ6กคือมีกำลังสิ่งเหล่านั้นจริงอย่างนี้เนาะข้อเจ็จะมีความเบิกบานาเดิมมีประมุชะมีความรู้มีอัดมีธรรมมีอัตเวทะมีธรรมเวทะอย่างแท้จริง รู้ชัดแจนแจ่มแจ้งไม่สงสัยไม่วิจิกิจช้าจริงมันจะรู้สึกกลมในใจเบิกบาเนเราเรามีสมบัติเนออริยสมบัติเนาจะจะกับชาวกมชาคุณแต่ว่าอย่างเดียวระวังจะบ้ามันชื่นใจมันเบิกบานราเริงเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าแล้วที่มีแล้วเนี่ยเป็นธรรมะที่ทําให้คนเบิกบานราเริงพุทธะเบิกบานราเริงจริงๆเป็นคนผู้รู้ผู้ตื่น ถ้าเราได้คุณธรรมอันนี้แข็งแรงจริงรู้ชัดรู้เจนจึงมีคุณสมบัตินี้จริงพวกเราเนี่พอเข้าใจยานเจตนี้แล้วไปตรวจสอบตนเองโอ้มีจริงปรากฏว่ารู้ตัวเองเป็นโสดาบางคนอาจจะมีมากกว่า น, นั้นในพวกเรามีสกิทามีอนาคาคุณธรรมอนาคาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเป็นภูมิด้วยอาจจะมีอนาคามีภูมิเพิ่มขึ้นเป็นยี่สอร์เซ 75% ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอนาคตขึ้นไปสูงๆเรื่อยๆก็จะมีเพราะอาตมา น, นำพาเอาอย่างสูงมาดึงปฏิบัติสูงขึ้นไปเรื่อยๆอลำ้ลำลําหน้าไว้เรื่อยๆอยู่เช่นคุณสมบัติสาธารณโภคีเป็นคนที่ทํามามีชีวิตอยู่อย่างลาเพณนาลาพังนิจคิงสนตาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของพราะอนาคามีขึ้นไป เพราะบางคนก็ทําได้อย่างสบายอย่างปกติสามันเอ๊ะไม่มีอะไรนี่เราไม่เอาและาบแลกเปลี่ยนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยวันไหนวันไหนเราก็ทําอย่างงี้น่ะบางคนทํามาสิปีบางคนทํามายี่สิปีแล้วไม่เคยคิดจะอยากได้สิ่งแรกเปลี่ยนนี่ไม่แก่ตนเองเลยลาบยศสันเรินเราก็ดูเออแล้วยศตําแหน่งหน้าที่ล่ะได้เป็นผู้รับใช้พอได้เป็นรับใช้แล้วหลงไหมตรวจสอบดูเอ๊ก็ไม่หลงคุณธรรมลักษณะพวกนี้มันเข้าขายอนาคามี เป็นอยู่แต่มันยังไม่ชัดในญาณของเราเพราะเราเขายังมีอาจจะยังมีไม่มากพอจนเด่นชัดก็ได้ยังไม่มีกําลังพลรตาที่มากก็ได้อินทรีย์พละนี่มีเนื้อหาของธรรมะมีอินทรีย์แล้วก็มีพละพลรตามีความเข้มข้นมีกําลังมีอํานาจจังเต็มมีความมีความความเข้มความความควบแน่นความเข้มมันจะ มันเป็นคุณลักษณะของธรรมนะความคข้แน่นอันนี้ด้วยความเข้มอันนี้เป็นคุณลักษณะของธรรมะถ้าเราเองเราได้รู้แล้วเราก็ตรวจสอบเป็นอา่านอารมณ์อันลักษณะของนา ม, มาธรรมที่ในจิตในใจของเรามีเราก็จะเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้หลายผู้หลายคนบางผู้บางคนก็ตรวจไปหมดทั้งกลางทั้งอัตตา ม, มานะตรวจไปแล้วก็จะเข้าใจจริงก็จะชัด อตาตมาก็หวังว่าสังคมของพุทธหรือพุทธบริษัทพุทธบริษัทคือทั้งฆราวาสชายฆราวาสหญิงและนันกบวชชายนักบวชหญิงเรียกว่าพุทธบริษัทสค่ฆราวาชายฆราวาสหญิงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิก า, กานักบวชชายนักบวชหญิงเรียกว่าภิกษุภิกษุณีเรามีพุทธบริษัท4เป็นสังคมพุทธสังคมพุทธบริษัท4 คนที่เป็นอาริยะจึงจะเป็นพุทธคนที่ยังไม่เป็นอาริยะก็เป็นแต่ผู้ล้ำลองเรียกชื่อว่าพุทธพุทธสมุติสมุติเพราะฉะนั้นพุทธสมุติสมมุติจะมาพิคุณธรรมอะไรเต็มที่เป็นวัฒนธรรมเป็นสังคมที่มีบทบาทการเป็นอยู่มีกิจการกิจกรรมมีพฤติกรรมอะไรอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่มันเป็นสังคมของพุทธบริษัทคือมีพุทธที่เป็นอาริยะบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนหรอ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นพุทธบริษัทมันก็จะมีวัฒนธรรมมีสิ่งที่ว่าไอ้นี่ละเว้นอ้นี่ไม่เอาอันี่เวรมนีมาแล้วแค่สีหน้าก็ตามสีหน้าที่เป็นอธิศีนขึ้นมาอีกมันก็จะมีซับซ้อนโสดากิธาอานาคาอารหันมันก็จะมีคนที่มีคุณภาพเป็นเนื้อแท้ของพฤติกรรมสังคมพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อเป็นแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมชัดเจน ยิ่งมีมากยิ่งเข้มข้นมากยิ่งมีปริมาณมากมันก็ยิ่งจะชัดขึ้นวันช่วชีวิตที่อาตมายังไม่ตายถ้าอาตมาอยู่ได้ไปอีกย0่0 4 0ี่อาตมาก็จะได้เห็นความจริงพวกนี้พวกคุณก็จะได้เห็นทุกวันนี้ก็เห็นอยู่ถ้าคุณมีดวงตาถ้าคุณมีปัญญาญาณที่จะมองออกทุกวันนี้สังคมของเรานี่มีสภาพติดต่างจากสังคมโลกียะ สังคมโลกียะที่มีอยู่ในวังวนของลาบยศเสริญโลกียสุขสังคมเราเป็นโล ก, กุตระต่างแล้วพวกคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ไปตรวจ ด, ดูก็แล้วกันมันมีพฤติกรรมมีกิจกรรมมีพิธีกรรมที่ต่างจากเขาพฤติกรรมของพวกเราก็เป็นอย่างพวกเราเป็นนี่แหละแต่ละคนแต่ละคนรวมกันแล้วก็เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนี่อย่างที่เป็นเนี่ยมันยังไม่มีปริมาณมากเป็นหมื่นที่เข้มข้นรวมกันแหม ถ้าชุมชนของชาวโศกสาลีาโศกก็มีพลเมือง 2, ส, สองพันศรีโศกมีพลเมืองสี่พันสันติอโศกมีพลเมืองอีกห0 0พันปทุมโศกมีพลเมืองอีกห้าพันหรือสี่พันรวมคนแล้วเป็นหมื่นขึ้นมาเนี่ยคุณลองเดาเดาก็ได้จะมีพฤติกรรมอย่างไรในคนที่รวมกันปฏิบัติอย่างเนี้ย เป็นวัฒนธรรมอย่างชาวบุญนิยมเนี่ยคุณลองเดาไปก็ได้จะมีพฤติกรรมอย่างไรจะมีกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยเราจะทำกสิกรรมเราจะทำในเศรษฐกิจมีการศึกษามีอะไรอะไรกันอยู่เนี่ยที่เราก็พยายามจะแม้แต่ที่สุดการเมืองจะเป็นยังไงมันจะต่างจากโลกียะจะต่างแต่ตอนนี้เราเป็นเพียงแต่ว่าสาลีมีเท่าไหร่ ประมินสาลีเอโศกเท่าไหร่ร้0สบก็ใกล้ใกล้สองพันแล้วศีระโสมมีเท่าไหร่ฮะฮะสร้กว่าใกล้ห0 0พัละทันเตโศกก็มีประมาณนั่นะสองสามร้อก็ใกล้5 0 0พสี่พันลความเข้ม พฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมของเราซึ่งเป็นพฤติซึ่งมันนกรรมต่างๆในบทบาทลีลานี่ซาลีเราก็มีแค่ 150, 200, 200, ร้อยห้าอรปฐมโศกสติโศกสอ0ร้อยสาร้อ ส, 200, 300, สีสะโศกามอยสอง0 0อย0า0ประมาณนี้เท่านั้นเสร็จแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมอยู่ในสังคมเห็นขนาดนี้ทุกวันนี้อาตมาไม่ใช่ว่าเป็นคนหลงนะไม่ได้หลงหรอก เขามองเขาเห็นคนในข้างนอกนี่ก็มองเห็นอยู่ว่าเออพวกกระสุกนี่มันมันก็มีอันหนึ่งของมันแล้วแต่เขาไม่เข้าใจชัดเจนเหมือนอย่างที่อาตมาพูดสู่ฟังนี่หรอกเขาก็จะเห็นว่ามันแปลกๆนะแต่แปลกเหล่านี้แต่ก่อนนี่เขาก็สงสัยเพราะมันไม่ใช่โลเกียคนต้องสวยต้องงามต้องแอ๊ท่าต้องแยงลาบยศอย่างนี้แต่พวกเราก็มาอย่างนี้ ดีไม่ดีมัมามอสอมาอยากจนมามักมามักน้อยมาสันโดดอะไรงนี้มันก็ทวนกระแสเขาเขาก็บอกไอ้พวกนี้มันแอกบ้างคนที่มันพอรู้มันก็แอกกว่าเราแอกคนที่ไม่รู้ก็หาว่ามันบ้าก็คนมันจะไปแย่งราบแล้วมันดันหนีลาบคนมันเอาสวยมันมาเอากิเลห์เขาก็ว่าบ้าแต่ตอนนี้เขาพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วก็เลยค่อยๆยังชั่วขึ้น มีความเข้มเท่านี้มวลคนที่มีพฤติกรรมทําให้เกิดพฤติกรรมทําให้เกิดกิจกรรมทําให้เกิดพิธีกรรมกิจกรรมเป็นการค้ากิจกรรมเป็นการศึกษากิจกรรมเป็นการเกษตรกรรมกิจกรรมเป็นการเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมเป็นการสาธารณสุขก็ตามกิจกรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเพิ่งมีได้เท่านี้ความเป็นไปได้เท่านี้เข้มข้นเท่านี้ความควบแน่นเท่านี้ มันมีลีลามีบทบาทมีวัฒนธรรมแสดงออกไปกับเขาค้คองกราบอรับรู้ได้เท่านี้ทุกวันนี้เขากับพอจะเห็นว่าดีอาตมาก็ไม่อยากจะพูดใหญ่พูดโตอะไรก็เห็นว่าเออมันก็ดีนะอโศกก็ดีนะยอมลดลาวาศอกแต่ก่อนที่เหยียดยามเหยียดยันดูถูกดูแคลนหาว่าบาหาว่าเลอะเทอะหาว่า ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนยังเข้าใจอยู่ว่ามันก็ยังอสศเราบ้าก็ยังมีอยู่บ้างแต่ลดดีกรีลงแล้วลดดีกรีลงแล้วเพราะฉะนั้นอย่าว่าจะมวลมันต้องเพิ่มมวลก็ต้องเพิ่มเพราะมวลและคุณภาพของเราก็พยายามดูแลควบคุมอยู่ไม่ใช่ว่าจะเอามวลปริมาณมาหาลา บ, บริวารไปเฉยเฉไม่ใช่คนมาเป็นมวลพวกเราก็คัดเลือก แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็รับตามที่จะรับมันมีวิธีการซับซ้อนที่อาตมาก็อธิบายไม่ไม่หมดอธิบายไม่ได้ทั้งหมดเหมือนกันว่ามันมีกำแพงอันไร้สภาพกำแพงแห่งวัฒนธรรมกำแพงแห่งหลักเกณฑ์ระเบียบวิ น, นัยอะไรก็แล้วแต่กำแพงแห่งพฤติกรรมของพวกเราเองเช่นเราเรามีพฤติกรรมมีความเป็นอยู่งี้คนที่แปลกๆแหว ก, ก, กมาเนี่ยจากโลกียะจัจจะเข้ามาสายเดียวเข้ามาอยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นลองดูสิ แกเข้ามาอยู่ไม่ได้หรอกแกอยู่ไม่ได้แกไม่แต่งสายเดียวอยู่นี้เนี่ยถ้าแกไม่บ้าจริงๆก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าบ้าจริงก็อาจจะอยู่ได้แกก็แอกสายเดียวแกอยู่เงี้ยอยู่ได้แกบ้าถ้าแกไม่บ้าแกอยู่ไม่ได้หรอกอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆแล้วว่าจะมีอารมณ์โลกโลกโีมาอยู่ตรงนี้ไมอะไรสิ่งนี้แหละเป็นกําแพงมันกั้นให้เราอยู่ในตัวน่ะกัตมาก็ฝากไว้ว่าใครยังไม่เจริญเพิ่ม จงพยายามพัฒนาจริงรู้สึกสำนึกฝึกฝนขนขวายหมายมุ่งพัฒนาให้อานิสงส์นั้นสมบูรณ์ให้ขึ้นมาเถอะแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งนี้ประเสริฐกว่าจริงจรงิโลกุตระประเสริฐกว่าโลกียะจริงๆถ้าเราพูดก็เป็นการข่มเขา แต่ในความเป็นจริงของมนุษยชาติหรือของโลกของสังคมนั้นมันประเสริฐกว่าจริงๆอาตมามั่นใจว่าโลกกุตรธรรมหรือบุญนิยมนี้จะกอบกู้มนุษยชาติกอบกู้โลกที่มันป่วยหนักโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นจะกอบกู้ได้ก็ฝากเอาไว้กอบกู้ได้ก็เพราะพวกคุณทั้งหมดทั้งมวล น, นั้นขอให้คุณทุกคน ที่มาในวันนี้มาคาบูชาได้ฟังธรรมะกันกันนี้ไปแล้วจะได้เข้าใจมากเข้าใจน้อยอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นพลวัปัจจัยเป็นกําลังให้แต่ละคนแต่ละคนไปภาคเพียนปฏิบัติประพฤติให้มีมักมีผลนั้นๆมาเพื่อตนเพื่อสังคมเพื่อโลกทั้งโลกนี้อย่าง แข็งแรงและสมบูรณ์กันเถิดเธอ